วันนี้อาจารย์มีอะไรจะเริ่มไหมเวลาฝั่งที่ท่านอาจารย์สอนให้เรานั่งสมาธินี่พอเรานั่งสมาธิไปแล้วมันเกิดความสงบความสงบเันเนี้ยมันคือปัจสสิทธิซึ่งเป็นองค์หนึ่งของโพชฌงใช่ไหมครับคือมันจะชื่ออะไรไม่อย่าไปกังวลกับมันให้กังวลว่ามันมีประโยชน์อะไรกับเรา เรานั่งสมาธิทำไมเรานั่งสมาธิเพื่อให้เรามีความสุขเพราะอะไรถ้าเรามีความสุขจากการนั่งสมาธิเราจะได้หยุดหาความสุขในรูปแบบอื่นเพราะความสุขในรูปแบบอื่นมันเป็นทุกข์เพราะต้องหาหาก็ทุกข์อะก่อนจะมีสุขต้องหาเงินก่อนใช่ไหมต้องไปทำงานหาเงินเหนื่อยเมื่อ ย, อยละ ได้เงินมาแล้วก็ต้องไปหาซื้อของหาซื้ออะไรต่างๆอีกแล้ ว, ลวได้มาปั๊บก็หมดแล้วความสุขที่ได้ก็ต้องไปหาใ ห, ใหม่มันจะเป็นวงจรอุบาทวงจรของความทุกข์การหาความสุขในรูปแบบอื่นมีความสุขแบบเดียวที่ไม่เป็นวงจรอุบาทก็คือความสุขที่ได้จากการนั่งสมาธินี่แหละคือสิ่งที่เราควรจะเข้าใจ ไม่ต้องไปสนใจชื่อมันหรอกนี่เราบ่บวยมาตั้งสี่หรือกว่าปียังไม่รู้มันชื่ออะไรเลย ท, ที่ไม่ได้ตอบเพราะตอบไม่ได้ก็เลยหาวิธีเลี่ยงตอบแต่ไม่จําเป็นจะต้องรู้มันหรอกชื่อเหล่านี้โพชง ม, ม, มันก็เป็นมันก็เป็นมากอีกรูปแบบโพชงก็มีสตินะมีะมีอุเบคามันก็เป็นองค์มาร์ทั้งนั้นคือธรรมที่เราต้องมีให้เกิดขึ้นมา อย่างท่านก็เรียกชื่อมันไปในแต่ละกลุ่มของมรรคเป็นชื่อเปลี่ยนชื่อไปท่านั่นเองแต่ตัวมันก็ตัวเดียวกันคือตัวมรรคเป็นเครื่องมือที่จะมาทําให้ใจเราสงบมีความสุขท่านั่นเองอก็คืออยู่กับความรู้สึกผู้ชงก็มีเนี่ยก็ผู้ชมก็มีพระห้าก็มีมรรคแก็มีมีเหมือนกันหมด ทีนีเวลาแสดงทรรพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนมีลวดลายมีพิกแพลงอะไรอย่าเปลี่ยนชื่อมันบ้างอะไรท่า น, นั้นเองแต่ตัวเดียวกันพูดคือมักคือทำทำใจให้สงบวิธีทำใจให้สงบถ้าใจสงบแล้วเราจะมีความสุขพอเรามีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องไปหาเงินมันมันเป็นท้าได้แล้วอน่ญาตโยมเป็นท่าไม่ได้เพราะว่าใจมันไม่สงบ พอไม่สงบมันก็ทุกข์มันต้องหาความสุขจากข้างนอกหาความสุขจากเงินทองหาความสุขจากสามีภรรยาก็เลยต้องไปหาความสุขเหล่านี้แล้วก็ต้องไปทุกข์กับสิ่งเหล่านี้เพราะสิ่งเหล่านี้มันไม่เที่ยงใช่ไหมได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนไปไม่อหมดไปนี่คืออุบายของมุตตเจ้าให้เรามานั่งสมาธิทําใจให้สงบ เพื่อเราจะได้มีความสุขในตัวเราแล้วความสุขนี้พอเรานั่งได้แล้วเราสามารถนั่งได้ทุกเวลาทุกสถานที่ mm hmm. ไม่ว่าร่างกายจะอยู่ในสภาพอย่างใดก็ทำใจให้สงบได้ mm hmm. ไม่ต้องไปหาเงินไม่ต้องไปมีแฟนไม่ต้องไปมีสมบัติไม่ต้องมีทีวีไม่ต้องเห็นดูพระพุทธเจ้ามีอะไรบ้าง mm hmm. พระพุทธเจ้ามีแค่อัถบริขาร อันนี้จำเป็นต้องมีด้วยกันทุกคนไม่ว่าจะเป็นมีสมาธิแล้วไม่มีสมาธิถ้ายังมีร่างกายก็ต้องเลี้ยงดูร่างกายแต่เลี้ยงดูแบบพระพุทธเจ้านี่เลี้ยงดูแบบแบบเขาเรียกอย่างในหลวงทรงสอนไหมรัชกาสอนแบบพอเพียงแบบเศรษฐกิจพอเพียงบาทมีไว้ไปหาอาหารเช้าเบบินทบาทได้อะไรมาก็กินไปเลือก็ ถ้ามอยู่ในป่าก็ให้นกให้กาไปถ้าอยู่วัดก็มีคนยากจนก็เอาไปสงเคราะห์คนยากจนอะไรต่ำน้องแต่ไม่เก็บสะสมไว้ผ้าก็มีแค่สามผืนเสื้อผ้าเนี่ยผ้านุ่งห่มผ้ามีสามผืนเนีย ผ, ผ้านุ่งผ้าห่มแล้วก็ผ้าห่มกันหนาวแค่นี้แหละแล้วก็เป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการคลองชี มีท่านนี้ก็พอแต่ใจของท่านนี้ไม่มีความอยากจะหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหมือนพวกเราเพราะท่านมีความสุขในใจของท่านใจท่านสงบด้วยสมาธิใจท่านสงบด้วยปัญญาท่านก็เลยไม่ต้องไม่มีครอบครัวไม่ต้องมีสามีไม่ต้องมีภรรยาไม่ต้องมีเครื่องบันเทิงต่างๆมีเครื่องใช้อำนวยความ สุขทุกรูปแบบพัดลมเอยตู้เย็นเออยเครื่องปรับอากาศเอยทีวีเอยมือถือเอยของพวกนี้เราหามาเพราะอะไรเพราะคิดว่ามันให้ความสุขกับเราแต่มันก็เป็นความสุขเดียวเดียวเวลาเวลาไม่ได้มีมันก็ทุกขึ้นมานี่คือจึงให้มหาดนั่งสมาธิกันทำใจให้สงบ ถ้าทำใจให้สงบได้แล้วสบายเมื <Yeah. S 1> ่อก่อนเราก็เป็นเหมือนญาติโยมล้วก็ต้องไปทำงานหาเงินหาทองเพื่อจะได้มาเที่ยวมาส่วนหนึ่งก็มาใช้จ่ายสาหรับค่าเลี้ยงดูร่างกายค่าเช่าบ้านค่าอาหารค่าอะไรต่างๆส่วนที่เหลือก็ไปซื้อความสุขอยากจะดูหนังก็ไปดูอยากจะฟังเพลงก็ไปฟังเพลงอยากจะไปดื่มก็ไปดื่ม แต่มันก็เป็นความสุขเดียวเดียวแบบควันไฟเวลาไปเสพก็มีความสุขพอเสร็จแล้วกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดอยู่บ้านก็เหงาต้องอยาออกไปหาใหม่แต่ถ้าเรานั่งสมาธิได้ไม่ต้องออกนอกบ้านเวลาเหงาไม่มีความสุขก็นั่งสมาธิเดียวเดียวจิตสงบก็มีความสุขละไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปเดืงไม่ต้องไปดู ไ, ไ, ปดไปฟังอะไร เมื่อไม่ต้องทําสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ต้องมีเงินเมื่อไม่ต้องมีเงินก็ไม่ต้องไปทํางานให้เหนื่อยหรือแค่าทาก็ทําพอเลี้ยงเลี้ยงร่างกายเท่านั้นก็พอไม่ต้องทําแบบตากตรำทำแบบสบายๆอาจจะเป็นขายขายประกันหรือขายอะไรอยากจะขายวันไหนก็ขายวันไหนไม่อยากจะขายก็ไม่ต้องขายถ้ามีเงินพอพอกินแล้วก็หยุดพักพร นั่งสมาธิอยู่บ้านดีกว่าสบายกว่าหรือถ้าอยู่เมืองไทยก็โชคดีมีวัดให้ไปบวชได้ก็อยู่วัดได้เลยอยู่วัดก็มีคนเลี้ยงดูญาติโยมนี่เอาปัจจัยสี่มาให้อาหารน้ำจีวร อ, อะไรต่างๆให้ครบบริบูรณ์พามีหน้าที่อย่างเดียวให้นั่งเฉยๆให้นั่งทําใจให้สงบญาติโยมก็พอใจละเข้าใจไหม เข้าใจครับแต่ปัญหาของโยมก็คือนั่งไม่ได้นายพยายามครแต่พระภูมิสงสัยว่าเวลาพระที่ท่านปฏิบัติพาท่านนั่งสมาธิใช่ไหมครับทีนี้สมาธิเนี่ยเวลาท่านได้พิจารณาไตรลักษณ์เนี่ยเพื่อจะเพื่อจะให้มันจํากัดกิเลสเนี่ยอย่างถาวรอ่าา็หมายความว่าท่านก็ต้องเห็นว่า ไอสิ่งทั้งหลายในโลกเนี้ยมันไปยึดไปถือไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นใจรักทั้งก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายว่าก็ในเมื่อมันไปยึดถือไม่ได้ก็เลยก็เลยมันก็เลยเบื่อหน่ายอย่างนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่เบื่อหน่ายแล้วมันเพื่อให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์เนยแล้วเวลาอยากได้จะได้ไม่จะได้เลิกอยากเข้าใจว่าไม่ได้เบื่อหรอกดีือว่าพออยากจะสูบก็เลยว่าสูบแล้วมันทุกข์อย่าสูบดีกว่า อาจารยให้เป็นเห็นว่ามันเป็นทุกข์กของงต่างที่เราหากันนี่มันเป็นทุกข์หาเงินก็เป็นทุกข์เวลาหาก็ทุกข์ใช่ไหมเวลาหามาได้เดี๋ยวาหายไปก็ทุกข์หรือหมดไปก็ใช้หมดก็ทุก<ะ>ข์พอไม่พอใช้ยั้นอยากไปหามันดีกว่า<ะ>หาวิธีอื่นดีกว่าทำเอาวิธีอื่นที่ไม่ต้องหาเงินดีกว่าหาความสุขวิธีอื่นดีกว่าก็มีวิธีเดีดยวก็คือวิธีนั่งสมาธิ เพราะวิธีอื่นมันก็ต้องมีเงินหรือมีสิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้เรามีความสุขนั่นคือให้มองเห็นว่าทุกอย่างที่เราคิดว่าเป็นความสุขนี่มันเป็นทุกข์เพราะว่ามันหนึ่งต้องหาสองหามาได้แล้วต้องรักษาสามถ้ารักษาไม่ได้ก็ทุกข์มันทุกข์ตลอดเวลาอันนี้คือตายรักเนี่ย ไม่เที่ยงแปลว่ามันไม่แน่นอนมันเสื่อมได้มันหมดได้มันเปลี่ยนได้คำว่าไม่เที่ยงเป็นอย่างนี้อนนั้ตาเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันเที่ยงไม่ได้เช่นร่างกายนี้เราสั่งให้มันอยู่แค่อายุสามสิบไม่ได้มันก็มันก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆตามบาระของมันห้ามไม่ให้แก่ไม่ได้ห้ามไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ห้ามไม่ให้ไม่ตายไม่ได้ นี่ให้พิจารณาเพื่อให้เราจะได้สบายไมเนี่ยที่ให้พิจารณาปัญญาเพื่อที่จะได้เกิดความจะว่าเบื่อหน่ายก็ได้แต่ความจริงจะได้เกิดปัญญาจะได้เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นภัยต่อจิตใจเมื่อเห็นว่าทุกอย่างเป็นทุกข์เป็นภยัยมันก็เลยเบื่อเบื่อหน่ายต่อสิ่งต่างๆพอได้มาแล้วจะต้องทําให้เสีย อ, อกเสียใจไม่ช้าก็เร็วน เนี่ยได้ลูกมาเนี่ยดีใจตอนได้มาดีใจแล้วไปอยู่ไปอยู่ไปความดีใจมันก็หายไปบางเวลาก็เสียใจกับลูกใช่ไหมได้สามีได้ภรรยามาก็เหมือนกันเวลาได้มาใหม่ๆก็ดีใจพออยู่ไปอยู่ไปมันเปลี่ยนไปไงใช่ไหม <laughs> พอเปลี่ยนไปก็เสียใจเนี่ยพวกเรามองไม่เห็นว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนเราไปคิดว่า เป็นเหมือนตุ๊กตาได้มาแล้วมันจะต้องเหมือนเดิมทุกวันมันไม่ได้เป็นตุ๊กตาแม้แต่ตุ๊กตามันก็ยังเปลี่ยนมันต้องเก่าไปนานๆเข้ามันก็พังได้ของทุกอย่างในนุกมันเป็นอย่างนี้ของมันต้องเสื่อมของมันต้องเสียมันต้องพังต้องหมดไปหรือเปลี่ยนไปจากดีก็กลายเป็นไม่ดีไปพอมันไม่ดีมันก็ทําให้เราเสียใจทุกข์ใจกัน แต่เราไม่มีปัญญาตรงนี้เรามองไม่เห็นเราเห็นอะไรเราจะคิดว่าดีมเนี่ยไปเดินแถวสระศูนย์การค้าดูสิของในนั้นดีทั้งหมดเลยใช่ไหมถ้าเขาบอกเข้ามาหยิบไปได้เลยนี่คงจะแย่งกันเลยเนี่ยแต่คนที่ฉลาดคนที่เห็นตายรักจะไม่ไปแย่งกับเขาอะเดี๋ยวก็ถูกเขาเหยียบตาย <laughs> นี่ก็เป็นความทุกข์อย่างนะถ้าเกิดศูนย์การค้าวันไหนเขาเปิดประตูร้านบอกว่าวันนี้แจกฟรี ดูสิคนที่มีปัญญาจะไม่เข้าไปเนะแต่คนที่เข้าไปนี่สแสดงว่าคนคนไม่มีปัญญาคนโง่คนไปเห็นของที่มันเป็นทุกว่าเป็นสุขกันอ้าใจไหมถ้าเห็นว่าทุกอย่างมันเป็นทุกข์ก็จะไม่ไปไหนละไม่ไปช้อปปิง้งไม่ไปหาอะไรอยู่บ้านดีกว่าทำใจให้สงบดีกว่าเองแต่ว่าถ้ามีปัญญาแต่ไม่มีความสงบก็อยู่ไม่ได้ ออรู้ว่ามันไม่รู้ว่ามันเป็นทุกข์แต่อยู่เฉยๆมันมันก็ทุกข์อ่ะมันก็เลยต้องสู้ความทุกข์ที่อยู่เฉยๆไม่ได้มันยอมไปทุกข์กับการไปหาสิ่งที่มันอยากได้มาปัญหาคือพวกเราเนี่ยได้ยินได้ฟังตายลักกันเยอะแล้วอาจจะได้ยินได้ฟังแต่ยังอาจจะมองไม่เห็นอย่างถึงใจมองเห็นว่ามันทุกข์อทุกข์ก็ทุกข์ มองไปในลักษณะแบบทฤษฎีมากกว่าอมันทุกข์เพราะมันเปลี่ยนนะเข้าใจมันทุกข์เพราะว่าละห้ามมันไม่ได้เข้าใจแต่พอเวลาเกิดความอยากได้มันขึ้นมานี่ห้ามมันไม่ได้มันลืมไปแล้วลืมว่าเป็นทุกข์แล้วพอเห็นแฟนเนี่ยห้ามไม่ได้แล้วอยากจะไปหาแฟนแล้วอมองไม่เห็นแล้วว่าแฟนนี้ไม่เที่ยงมองไม่เห็นว่าต่อไปแฟนต้องเปลี่ยนอัอนนี้ไม่มองไม่เห็นแล้ว พตอนนั้นมันอยากจะได้แฟนอยากจะได้สิ่งนั้นอย่างเดียวอันนี้เป็นสิ่งที่ตอนต้นนี้เราจึงใช้ปัญญาไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ก็ไม่มีกำลังห้ามใจได้ต้องรู้จักห้ามใจด้วยการใช้สติก่อนพุโทโธพุโทโธไปหยุดความคิดหยุดความอยากไปก่อนเพียงแต่ว่าการใช้สตินี้มันหยุดได้เป็นพักๆ เวลามีพุโทโธมีสติก็หยุดมันมันก็หายไปแต่พอเวลาเราเผลอสติมันก็โผล่กันมาใหม่มันจะหายไปอย่างถาวรต้องหายด้วยปัญญาเพราะว่ามันความความอยากมันเกิดจากความเข้าใจผิดไงเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งที่เราอยากได้มันดีมันจะให้ความสุขกับเราแล้วปัญญาก็จะบอกว่าไม่ใช่ความจริงไม่ใช่เป็นอย่างนั้น สิ่งที่เราคิดว่ามันดีมันดีเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวมันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่มหมดไปเวลามันเปลี่ยนไปหมดไปเราก็เสียใจกันอันนี้แหละที่เรามองไม่เห็นกันหรือถ้ามองเห็นก็มองไปในลักษณะทฤษฎีพอถึงเวลาเกิดความอยากขึ้นมามันเกิดความทุกข์ทรมานใจมากมันลืมไม่หมดเลยว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์ ตอนนั้นรู้อย่างเดียวว่าขอให้ได้มันมาได้มันมาแล้วมันสุขนั้นคนอยากจะสูบบุหรี่นี่พอมันอยากจะสูบบุหรี่ขึ้นมาไม่ได้สูบในมือไม้สั่นหมดตอนนั้นมันจะไม่คิดอะไรแล้วคิดยังไงหาวิธีทำให้ใจหายสั่นมือไม้หายสั่นวิธีมันจะหายก็คือก็ยสูบบุหรี่แล้วหายมันก็จะไปสูบบุหรี่กันทั้งทั้งที่รู้ว่ามันเป็นโทษต่อร่างกายเป็นโทษต่อจิตใจ ว่าจะทำให้ติดแล้วเวลาขาดมันก็จะทรมานใจแต่มันไม่คิดแล้วตอนนั้นมันคิดเพียงอย่างเดียวว่าจ ะ, จะทำไงให้หาบุหรี่ให้ได้บางทีเจอก้นบุหรี่ทิ้ไงไว้ยังหยิบขึ้นมาสูบเลยเชื่อม น, นั่นแหละเพราะความทรมานใจตอนนั้นมันทำให้ไม่มีสติสตังที่จะมาคิดด้วยปัญญาดังนั้นขั้นแรกเราต้องสร้างสติขึ้นมาก่อน เพื่อควบคุมใจให้มันไม่ให้สันเวลาเกิดความอยากขึ้นมาเวลาสันก็ใช้ใช้สติหยุดมันได้พอหยุดมาแล้วก็ใช้ปัญญาสอนใจว่าเนี่ยอย่าไปเนอะไปแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องติดเพราะว่าสูบแล้วมันก็ต้องสูบอีกไม่ใช่สูบวนเดียวแล้วมันจะจบมันไม่จบสูบวนเดียวมันจบเดี๋ยวเดียวจบชั่วคราวแล้วเดี๋ยวก็เกิดความอยากจะสูบขึ้นมาใหม่ เนั้นถ้าเรามาทำทาสมาธิได้ทำใจให้สงบได้ด้วยสติเราก็จะสามารถควบคุมเวลาเวลาใจเกิดความอยากขึ้นมาควบคุมไม่ให้มันสัญญาา่นได้แล้วหยุดความอยากคือไม่ไปทำตามความอยากได้เพราะจะไม่รู้สึกทรมานเวลาเกิดความอยากถ้าเรามีสติทำใจให้สงบได้แต่ถ้าเราไม่มีสติทำใจให้สงบได้เวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจมันจะสั่น มันจะทรมานและจะไม่สามารถฝืนความอยากได้ถึงแม้จะมีปัญญาถึงแม้จะรู้ว่าไบ o d y ทไม่ดีทำแล้วจะติดจะต้องทำอยู่เรื่อยแต่ความทรมานใจมันทำให้มันมันไม่มีทางเลือกเข้าใจไหมมันต้องไปทำเพื่อที่จะได้ระงับความทรมานใจแต่ถ้าเรามีสติเราสามารถใช้สติระงับความทรมานใจได้แล้วเราสามารถ ทำตามที่ปัญญาสอนเราได้ว่าอย่าไปทำตามความอยากพอเราทำงี้ต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังไปทุกครั้งที่อยากจะสูบเวหรีเราก็ไม่สูบ้ามือไม้สัน่นแล้วก็ทำใจให้สงบด้วยสติพุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิไปพอใจสงบมือไม้หายสัน่นความอยากมันเราก็ไม่ต้องไปทำตามแั้ พอเราไม่ไปทำตามมันต่อไปความอยากมันก็จะอ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆทีละครึ่งทีละครึ่งแล้วเดี๋ยวไม่นานความอยากจะสูบบุหรีก็จะหายไปมันจะไม่เข้ามาในวงจรในความคิดของเราอีกต่อไปนี่คือทําไมเราจึงต้องมาฝึกสติมานั่งสมาธิกันเพราะสติสมาธิเนี่ยเป็นตัวกําลังของใจตัวที่จะหยุดใจได้ส่วนตัวปัญญาเป็นตัวสอนใจให้ ให้ให้รู้เหตุรู้ผลรู้ความจริงว่าสิ่งที่เราอยากนั้นมันเป็นความสุขปลอมเป็นความสุขเดี๋ยวเดียวแล้วมันจะทําให้เราต้องหามันอยู่เรื่อยๆหามากี่ครั้งมันก็หมดไปทุกครั้งไปเที่ยวมากี่ครั้งพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดแล้วความอยากเที่ยวใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมา แล้วถ้าอยากแล้วไม่ได้ไปเที่ยวก็จะงดหยิดนำคาญใจเศร้าส้อยหงอยเหงา ว, ว้าเวขึ้นมาแต่ถ้าเราทำใจให้สงบได้ความความรู้สึกเหล่านี้จะไม่มีเราจะอยู่บ้านเฉยๆได้นั่งสมาธิพอจิตสงบแล้วมีความสุขไม่ต้องไปไหนไม่ต้องทำอะไรอันนี้แหละคือทาหน้าที่ต่างกันสตินี้เป็นตัวหยุดปัญญาเป็นตัวสอนให้ใจเห็นโทษของ สิ่งต่างๆที่เราไปคิดว่าเป็นความสุขว่ามันเป็นทุกข์เพราะเราต้องหามันอยู่เรื่อยๆเพราะมันจะต้องหมดไปเรื่อยๆเห็นไหมเงินเนี่ยตั้งแต่อาจารย์หาเงินมานี่หยุดหยดหาเงินได่ยังเพราะอะไรเพราะว่าเหมือนเป็นเหมือ น, น, น, นตุ่มน้ำที่มีรอยรั่วใช่ั้ยอาจารย์เติมน้ำเข้าไปในตุ่มสักพักเดียวมันก็ซึมออกมาพอซึมก็ต้องไปเติมใหม่รอยรั่วที่มันทาให้ใจเรา ความสุขหายไปก็คือความอยากนี่พอเกิดความอยากขึ้นมาความสุขที่มีอยู่ก็หายไปหมดต้องไปทําตามความอยากใหม่พอทําตามความอยากใหม่มันก็ได้ความสุขมาแล้วเดี๋ยวสักพักก็เกิดความอยากใหม่ขึ้นมาอีกก็ต้องไปหาอีกงั้นถ้าเรามาหยุดความอยากเสียมันก็เหมือนกับเราไปอุดรอยรั่วของตุ่มน้ําถ้าเราอุดรอยรั่วของตุ่น้ําได้พอเราเติมน้ำเข้าไปเต็มตุ่มน้ำมันก็จะไม่หายละ น้ำมันจะไม่พร่องน่ะคือปัญหาของเราก็คือใจเรามีรอยรั่วหาอะไรมาให้มันหาความสุขในรูปแบบไหนใส่เข้าไปในใจเดี๋ยวมันก็พ่องเดี๋ยวมันก็ต้องเติมใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นมีการไปเที่ยวครั้งเดียวแล้วจบไหมไม่มีใช่ไเที่ยวแล้วก็ต้องเที่ยวไปเรื่อยๆหาเงินก็ต้องหาไปเรื่อยๆหาตำแหน่งก็ต้องหาไปเรื่อยๆ มันมันจะทำให้เรามีความอยากที่ต้องมีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมันถึงจะมีความสุขเนี่ยตอนต้นมีร้อยหนึ่งก็มีความสุขไปสักพักหนึ่งร้อยหนึ่งไม่พอแล้วไม่สุขแล้วต้องสองร้อยต้องสามร้อยต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่เชื่อถามพ่อแม่ดูเลยตอนต้นให้ลูกวันละเท่าไหร่ต่อไปมันขอเพิ่มแล้ว นี่แหละคือความสุขทางโลกมันมันพร่องมันหมดต้องคอยเติมอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้อยากอยากอยากให้มันได้มากขึ้นอยากให้มันมีเราหยุดตัวนี้ได้มันก็จะอิ่มขึ้นมาใจเราก็จะอิ่มใจเราก็จะสุขม่โดยที่ไม่ต้องมีอะไรนี่คือปัญญาปัญญาต้องเห็นโทษของการทำตามความอยากว่ามันไม่ได้เป็นการเติมความสุข มันเป็นการเจาะรูให้น้ำที่ความสุขที่มีอยู่ในใจมันหายไปทำให้เราต้องไปหาความสุขใหม่มาเติมอยู่เรื่อยๆแต่บางทีลายเดี๋ยวก็ความอยากมันก็เจาะรูอีกเจาะเจาะรูใจเราให้ความความสุขที่เราได้มาหายไปอีกแล้วพอเราไปหามาเติมอีกเดี๋ยวมันก็เกิดความอยากอีกมันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ แต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เราอย่าไปทำตามความอยากต่อไปความอยากมันก็จะหมดกำลังถ้าเราไม่ไปมันอยากเที่ยวเราอยากไปเที่ยวต่อไปไม่กี่ครั้งความอยากเที่ยวมันก็จะหายไปทำให้อยู่บ้านได้ที่อยู่บ้านไม่ได้ก็เพราะฝืนความอยากไม่ได้เพราะไม่มีสติหยุดเวลาใจมันสัน่นใจมันไม่สบายที่เกิดจากความอยากไปเที่ยว แต่ถ้าเรามีสติฝึกสติเป็นพุทโธพุทโธเป็นทำใจให้สงบเป็นใจก็หายสั่นก็อยู่บ้านเฉยๆได้จะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าวเวยนี่แหะคือต้องมีทั้งสองส่วนถ้ามีสสติอย่างเดียวก็มันก็หยุดได้ชั่วคราวเดี๋ยวความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาก็ต้องใช้สติหยุดมันไปแต่ความอยากมันจะไม่หมด จากการที่เราใช้สติหยุดมันเพียงอย่างเดียวต้องมีเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ต้องทําตามความอยากต้องเข้าใจตรงนี้เข้าใจว่าความอยากนี้มันทำให้ใจเราทุกเวลามันโผล่ขึ้นมาสองสิ่งที่เราอยากได้มันก็ทำให้เราทุกข์เพราะว่ามันเป็นของชั่วคราวมันไม่เที่ยงได้แล้วเดี๋ยวมันก็หมดไปเวลามันหมดไปหรือว่ามันเปลี่ยนไปมันก็ทาให้เราทุกข์อีก ทุกทั้งสองส่วนทุกที่เวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ทุกแล้วยังไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ก็ทุกแล้วเพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาใจเราก็ไม่สบายใจแล้วกังวลกังวายกระสับกระส่ายแล้วพอเราไปทำตามความอยากเอาสิ่งที่เราอยากได้มามันก็ได้มาเดี๋ยวเดียวเดียวมันก็มันก็หมดไปความสุขที่ได้จากมันก็หมดไปเพราะมันเปลี่ยนไปหรือเพราะมันไม่มีแรงดึงดูดแล้ว เราไปซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่มาแล้วซื้อมาใหม่ๆแล้วก็มีความสุขกับมันใส่ไปสักสองสามวันมันชินกับมันแล้วความสุขที่ได้จากมันก็ไม่มีแล้วพอไปเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ที่ร้านก็อยากจะได้ขึ้นใหม่แล้วพอซื้อมาก็ได้ความสุขจากมันเดี๋ยวๆนี่นเป็นลักษณะการหาความสุขของเราล้วไปหาความสุขแบบชั่วคราวกันเลยต้องหากันอยู่เรื่อยๆต้องคอยเติมกันอยู่เรื่อยๆ แต่ถ้าเรามาาความสุขจากการทำใจให้สงบมันจะสามารถที่จะทำให้เราฝืนความอยากได้ถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่าอย่าไปทำตามความอยากแล้วต่อไปความอยากมันก็จะไม่ไม่มารบกวนใจเราอ่ามีอีกไหมอ่าพูดไปก็ได้อ่ะ okay, ที่ท่านสอนเรื่องสติกับสมาธินีค่ครับไอ้สองสี่เนี่ยบางทีมันเอื้อหน่วยซึ่งกรรันแกะกันเช่นยกตัวอย่างเช่นเวลานั่งจะนั่งสมาธินี่คือบางทีมันนั่งไมได้เพราใจว อ, อกแวกแต่พอเราจะเริ่มนั่งเราเริ่มมีสติว่าใจกำลังวอกแวกเรื่องนั้นนะเรื่องนี้นะพอมัเริ่นนรมหยุดบางทีมันก็จะทําให้สมาธิมนได้เร็วขึ้นได้มันช่วยได้ ช่วยได้ ช, ช่วยได้เพรผมสังเกตตัวเองนะแต่วพอมันนั่งซะเราก็ไม่พอมันนั่งนิ่งเราก็นิ่งไปก่อนแ ต, อแต่ถ้าพอจะไปวอกแล้วก็มีสติกลับมาว่ามันไปวอกอีกแล้วนะอทําก็จะนิ่งนิ่งที่ท่านสอนคือเวลามีสติกับสมาธิเนี่ยแล้วมีแล้วก็เอาไอ้ปัญญาที่ท่านบอกที่ท่านสอน่ะพวกเรานะครับก็เอามาปรับใช้เวลามันมีกิเลสที่มันจะมาให้เราไปไหน เหมือนที่ท่านบอกว่าให้คนที่สูบหลี่เนี่ยพอไอตอนมันยากถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติเลยมันก็ไปพลวดเลยออืแต่พอมีปุ๊บมันก็จะมายั้งเราใช่ไหมใช่ยั้งเราว่าเราไปเห็นมไหมล่ะอืคือให้ให้ไต่ตรองด้วยด้วยด้วยสมาธิหรือสติคือมันจะกำลังมันจะมากกว่าใช่เราใช้ได้ก็ใช้ไปบางคนใช้ไม่เป็นคิดไม่เป็นก็ต้องใช้สติอย่างเดียว บางคนคิดไม่เป็นคิดแบบนี้ไม่เป็นก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธไปบางคนถ้าคิดเป็นว่าเอาเรากําลังไปวุ่นวายกับเรื่อง<ม>นั้นเรื่องนี้นะซึ่งมันวุ่นวายไปก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้ก็ยึบปล่อยมันไปใจเราก็ต้องมีสมาธิไหมครับก็มันก็ต้องมีระดับหนึ่งที่สามารถคิดทางปัญญาได้ที้ปัญญามันมีหลายระดับไง ระดับที่เรามีอยู่ตอนนั้นเราก็ใช้มันไปตามตามกําลังของของสติที่เรามีอยู่ในตอนนั้นบางคนไม่มีสติระดับนั้นก็ใช้ปัญญาตอนนั้นไม่ได้ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาก็าต้องพุโทโธพุโทโธไปสวดมนต์ไปบางทีมีสติแต่คิดไม่เป็นคิดด้วยเหตุด้วยผลไม่เป็นก็<ม>ใช้ไม่ได้ไไดแต่แล้วมันก็เอื้อมหน่วยกัน มันจะเอื้อก็ได้ไม่เอื้อก็ได้จะใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เรามีหรือไม่มีคนที่ไม่มีก็ใช้สติอย่างเดียวใช้พุโทโธพุธโทโธสวดมนต์ไปมันก็ระงับความฟุ้งซ่านได้แต่คนที่ใช้สติเป็นใช้ปัญญาเป็นก็พิจารณาไปว่ า, เ, าเรื่องนี้มันเป็นตายรักนะอย่าไปยุ่งกับมันทำอะไรไม่ได้มันเป็นอนัตตาอย่างเงี้ยพอมันเข้าใจมันก็หยุดได้ มันก็กลับมามีคนเรามันมีความรู้ความสามารถไม่เหมือนกันเนี่ยแต่ละคนก็บางทีก็ต้องใช้สติอย่างเดียวบางทีก็ใช้ปัญญาท่านหนึ่งว่าเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิเข้าใจไหมบางคนนี้ใช้พุทธโธมันไม่หยุดแต่ใช้เหตุผลหยุด<ม>เหตุผลก็คือปัญญาบางคนใช้เหตุผลไม่เป็นก็เลยต้องอาศัยพุทธโธไปสวดมนไป แข่งกับความคิดที่จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วถ้าการสวดมนต์ชนะพุโทโธชนะความคิดนั้นก็จะหายไปแต่ถ้าใช้ปัญญาได้มันดีกว่าเพราะว่ามันจะพอมันพอมีปัญญาแล้วมันแก้ปัญหาตัวนี้ได้แล้วมันจะไม่กลับไปอีกเพราะมันมันเข้าใจแล้วว่าไปยุ่งกับมันไม่ได้ยุ่งแล้วก็ทําให้เราเครียดไปเปล่า แต่ถ้าใช้สตินี่เดี๋ยวพอพ อ, พอไม่มีสติแปลว่ากลับไปคิดเรื่องนั้นอีกก็ทำให้ใจฟุ้งขึ้นมาอีกได้อย่นี่ก็เป็นปัญญาระดับทำให้ทาจิตให้สงบทนันแต่หลังจากที่มีจิตสงบแล้วเราก็ต้องใช้ปัญญาที่จะไปไปแก้ปัญหาที่เราไม่คิดว่าเป็นปัญหาเช่นปัญหาร่างกายเรายังไม่คิดว่าเป็นปัญหาแต่ความจริงมันเป็นปัญหา ร่างกายเนี่ยเราทุกกับมันโดยที่เราไม่รู้สึกตัวใช่ไหมเวลามันแก่เราทุกข์ไหมเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยมันทุกข์ไหมเวลามันตายมันทุกข์ไหมอันนี้เราต้องมาแก้เราสามารถใช้ปัญญาแก้ทําให้เราไม่ทุกข์กับร่างกายได้ถ้าเราเห็นร่างกายนี้ว่าเป็นอนิจจังหนึ่ไม่เที่ยงอสองอนัตตามันเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ จะเรียกว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราก็ได้พูดภาษาชาวบ้านมันไม่เราไม่สามารถไปคอยควบคุมบงังคับให้มันเป็นไปตามความต้องการของเราได้เสมอบางเวลาก็ยังทำได้อยู่เช่นตอนนี้เรายังสั่งให้มันเดินได้สั่งให้มันทำนูน่นทำนี่ได้เดี๋ยวทอมันเป็นอมภพกรรมภาพขึ้นมาก็สั่งมันไม่ได้ หรือเวลามันเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปเที่ยวไปทำอะไรก็ทำไม่ได้มันจะนอนอย่างเดียวอันนี้ก็เรียกว่าอนัตตาอาจารยเราควบคุมบังคับมันไม่ได้ห้ามไม่ให้มันแก่ห้ามไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยห้ามไม่ให้มันไม่ตายไหมห้ามไม่ให้มันตายไม่ได้แต่เราสามารถห้ามความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายได้เพราะสิ่งที่ทำให้เราทุกข์ไม่ใช่ความแก่ความเจ็บความตาย แต่ความอยากไม่ให้มันแก่ไม่ให้มันเจ็บไม่ให้มันตายแล้วก็หยุดตัวนี้เท่านั้นเองเราไม่ได้ไปหยุดความแก่ความเจ็บความตายหยุดตัวนี้ได้ไงก็เนี่ยด้วยปัญญาเนี่ยบอกว่าอย่าไปยานะอยากเห็นไหมอยากแล้วทุกข์วิธีจะหยุดความอยากก็ใช้สติใช้สมาธิช่วยพอรู้แล้วว่าต้องหยุดก็ใช้สติสมาธิเป็นตัวหยุดแต่ปัญญาเป็นตัวบอกเหตุผลว่าทำไมต้องหยุดมัน ไม่เชื่อเดี๋ยวลองดูเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาใจเครียดถ้าอาจารย์นึกถึงตายรักได้แล้วอาจารย์มีกําลังหยุดความอยากได้อ่ะมันจะเจ็บก็เจ็บไปมันจะตายก็ตายไปอาจารย์จะไม่ทุกข์กับมันอยู่กับความเจ็บอยู่กับความตายได้แตสมมุติอาจารย์ตอนนี้ไม่สบายไปหาหมอหมอบอกว่ามีเนื้องอกแล้วมีมะเร็งขั้นที่สามแล้วเหลื อ, ออีกสามเดือน ดูที่อาจารย์ว่าใจของอาจารย์จะทุกข์มันไม่ทุกข์ถ้าทุกข์ก็เนี่ยใช้ตายรักดูสิเนี่ยว่าร่างกายมันไม่ใช่ตัวเรานะไม่ใช่ของเรามันไม่เที่ยงมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไอ้ที่เราทุกข์เพราะเราไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใช่ไหมถามตัวเองดูถ้าใช่เราก็อย่าเราก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยอะมึงจะเจ็บก็เจ็บไปมึงจะตายก็ตายไปพอบ่งได้ปั๊บใจจะหายทุกข์เลย นะที่จะปลงได้ไม่ได้ก็อยู่ที่กำลังของสติปัญญาเรารู้แล้วว่ามันไม่เที่ยงมันต้องปลงแต่จะปลงได้ไม่ได้อยู่ที่สติถ้ามันยังปลงไม่ได้ก็ต้องสร้างสติขึ้นมาตอนนั้นพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้มันคิดด้วยเปล่อยเพราะมันคิดมันจะไปคิดถึงความอยากไม่ไม่ไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายอยู่อย่างเดียวจะไม่ยอมตายอย่างเดียวจะไม่ยอมเจ็บอย่างเดียวงนั้นถ้าเราใช้สติพุทโธพุทโธไป มันก็จะหยุดความอยากนี่ได้เวลาใจสงบแล้วใจจะเบาขึ้นใจจะหายทุกจากความแก่ความเจ็บความตายได้ความเจ็บก็ลองนั่งดูเลยเรานั่งให้มันเจ็บดูถ้ายังรอมันรอมันมาเจ็บไม่มันไม่ทันใจก็นั่งสมาธิสักชั่วโมงสองชั่วโมงเดี๋ยวมันก็เจ็บล้ะพอเจ็บก็เนี่ยก็สอนใจว่าเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็เจ็บแบบนี้แหละ แล้วต่อให้ขยับยังไงมันก็ไม่หายเจ็บเห็นตอนนี้เราต้องสมมุติว่าเราเป็นไม่สบายเราอย่าไปขยับอย่าให้มันหายแล้วลองหัดอยู่กับมันดูถ้าเราไม่มีความอยากให้มันหายเราจะอยู่กับมันได้ที่เราอยู่กับมันไม่ได้เพราะเราอยากไปให้มันหายเห็นเวลาถ้ามันอยากอยากให้มันหายเราก็สู้มันด้วยพุทโธไปก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธไปหรือถ้าจะใช้ปัญญา แยกใจออกจากร่างกายก็ได้หลนใจว่าร่างกายนี้ก็เป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือใจเป็นคนใช้โทรศัพท์มือถือเวลาเราเอาค้อนไปทุบโทรศัพท์มือถือนี่คนที่ไปทุบนี่มันเจ็บหรือเปล่ามันไม่เจ็บใช่ไหร่างกายนี้ก็เหมือนกันร่างกายกับใจก็เป็นคนละคนกันใจเป็นคนใช้ร่างกายถ้าใจเอาค้อนมาทุบมาทุกขาทุบกระดูก มันก็มันก็เจ็บที่กระดูกมันไม่ไปเจ็บที่ใจใจเป็นเพียงแต่คนรับรู้เท่านั้นเองแต่ใจไปคิดว่าเป็นร่างกายมันก็เลยไปเจ็บแทนร่างกายเท่านั้นเองมันจึงไม่อยากเจ็บไม่ใช่หรืแต่ถ้าปล่อยให้มันเจ็บไปมันร่างกายเป็นคนเจ็บกระดูกมันเป็นตัวเจ็บกระดูกเนื้อหนังเนี่ยที่มันกําลังนั่งมันเจ็บแต่ใจผู้รู้นี่ไม่ได้เจ็บใจเป็นคนใช้ร่างกายเหมือนกับคนใช้มือถือ เวลามือถือตกลงไปกับเพลินเนี่ยเห็นไหมคนคนที่ใช้เจ็บไปด้วยเปล่าไม่ได้เจ็บใช่ไหมไอ้มือถือมันก็ไม่เดือดร้อนอะไรมันไม่รู้ว่ามันเจ็บใช่ไหมเหมือนกันเนี่ยร่างกายเวลามันเจ็บกระดูกมันไม่รู้ว่ามันเจ็บหรอกเนื้อหนังที่หุ้มกระดูกมันก็ไม่รู้ว่ามันเจ็บหรอกแต่ตัวตัวรู้คือใจที่ไม่ใช่เป็นร่างกายแล้วไอ้ตัวรู้นี้กลับไป ไปไปไปกลัวเองไปคิดว่าตัวเองเป็นนั่งกายเลยไม่อยากให้ร่่งกายเจ็บเท่า mm. นั้นเองนี่ต้องมาสอนใจว่าเราเป็นตัวรู้เป็นผู้รู้ให้รู้เฉยๆสินั่งกายเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปน่่งกายมันเจ็บมันไม่เดือดร้อนเราเปเราไปเดือดร้อนแทนมันทำไมถ้าเรานั่งคิดอย่างนี้ได้มันก็จะแยกใจออกจากร่างกายได้แล้วมันก็จะปล่อยให้ร่างกายเจ็บได้อยู่กับความเจ็บได้ ก็มีสองวิธีใช้พุโทโธพุโทโธไปอันนี้ใช้สติอย่างเดียวถ้าใช้ปัญญาก็ต้องแยกใจออกจากร่างกายให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ใจใจเป็นผู้ใช้ร่างกายร่างกายเป็นเหมือนโทรศัพท์มือถือใจนี้เป็นเหมือนผู้คนใช้มือถือเวลามือถือตกลงใบแตกนี่คนคนใช้ไม่เดือดร้อนไม่ได้เจ็บด้วย จะเจ็บก็ต้องที่เสียใจที่ยังรักมันเสียดายก็เจ็บแบบแบบเดียวกับเจ็บกับร่างกายเวลาร่างกายเจ็บใจไปเจ็บก็เพราะว่าใจไปเสียดายไปไม่อยากให้มันเจ็บแค่นั้นเองแต่ถ้าเรายอมรับว่ามันไงต้องเจ็บร่างกายนี้มันเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยมันแก่ไปเจ็บไปตายไปถ้าปล่อยได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับมันเรามาแก้ความ เปลนความจริงไม่ได้ความจริงของร่างกายก็คือมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่เรามาเปลี่ยนความทุกข์ของใจได้เปลี่ยนจากทุกข์ให้ไม่ทุกข์ได้เพราะถ้าเรารู้สาเหตุของความทุกข์ใจว่าเกิดจากความอยากของเราความอยากของเราอยากให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแล้วเรารู้วิธีที่จะทําให้ความอยากนี้หยุดได้ความอยากนี้จะหยุดได้ก็ต้องมีสตินะมรรค มีสติมีปัญญาสัมมาทิฏฐิเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราของเราไม่ใช่ตัวเราเห็นว่าร่างกายมันไม่เที่ยงมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องเจ็บมันต้องตายถ้าเห็นจริงๆแล้วก็ทำใจได้ยอมรับความจริงได้ก็ไม่ไปต่อไอ้ก็ความอยากที่จะให้มันหะไม่เจ็บไม่แก่ไม่ตายก็จะหายไป พอความอยากหายไปความทุกข์ก็หายไปอันนี้คือปัญญาระดับสูงขึ้นระดับที่เหนือจากสมาธิไปแล้วอันนี้เ็าเรียกว่าปัญญาระดับโลกุตตะละคือระดับที่จะทำให้ตัดภพตัดชาติได้ตัดการเวียนว่ายตายเกิดได้คือถ้าเราสามารถปล่อยวางร่างกายได้เราจะกลับมาเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ พอเราเข็ดละเห็นว่าร่างกายนี้มันมันทุกข์แต่ยังยังตัดไม่ได้หมดเพราะเรายังต้องเรายังมีความอยากจะใช้ร่างกายไปหาความสุขอีกความสุขขั้นต่อที่เรายังต้องใช้ร่างกายหาอยู่ก็เกิดความสุขจากการร่วมหลับนอนกันนี่เองเรียกว่าการเสพกามขั้นแรกนี้เราไม่สามารถแก้ได้ด้วยการปล่อยวางร่างกายปล่อยความแก่ปล่อยความเจ็บปล่อยความตายแล้ว แต่ความอยากเสพกามนี้มันยังไม่ได้รับการดูแลยังไม่ได้รับการจัดการเราต้องใช้ปัญญาอีกตัวหนึ่งถึงจะจัดการตัวนี้ได้ตัวที่จะจัดการตัวนี้ได้ก็คือการเห็นร่างกายว่าไม่สวยงามเห็นยังไงไม่สวยงามก็เห็นตอนที่มันแก่เด้อคนแก่มีใครอยากจะไปมีแฟนกับคนแก่ไหมใช่ไหม <laughs> หรือคนเจ็บเนี้ย ันพี่คนพี่ ก, การเป็นง่อยหูหนวกตาบอดอย่างนี้หรือคนตายเงนี้ยมีใครอยากจะไปไปมีแฟนกับคนตายไหมแฟนที่เรามีอยู่นี้ถ้าเราก็ตายเดี๋ยวันนี้ตายวันนี้คืนนี้จะเก็บไว้ที่บ้านไหมยกให้สับปเปลืกไปเลยใช่ไหมแต่ถ้ายังไม่ตายในี่ใครมาขอก็ไม่ยอมให้ใช่ไหมนั่นเพราะยังมองไม่เห็นว่าเขาตายยังคิดว่าเขาเป็นอยู่ แต่พอเขาไม่มีลมหายใจแล้วนี่เห็นว่าเ้าตายแล้วไม่เอาแล้วลาต้องมองร่างกายในสภาพที่ไม่น่าดูสภาพที่มันตายยิ่งตายสักสองสามวันนี้ยิ่งไม่น่าดูใหญ่เวลามันขึ้นเอืดขึ้นมามันเปลี่ยนสีเป็นเป็นดาเป็นสีดำสีเขียวหรือมีน้ำน้ำน้ำหนองน้าอะไรต่างๆไหลออกมาหรือส่งกลิ่นเหม็นอย่างนี้อย่างนี้นเรียกว่าอสุภะ เราต้องดูร่างกายในสภาพที่ไม่น่าดูนึกถึงมันเพื่อที่เวลาเราเกิดความอยากจะไปร่วมหลับนอนกับร่างกายเราจะได้ไม่เอาดีกว่าเพราะเรารู้ว่าเรากำลังจะไปนอนกับซากศพเพียงแต่ว่ามันยังหายใจได้เท่านั้นเองหรือถ้าจะมองแบบหมอก็มองเข้าไปในร่างกายเลยมองร่างกายข้างนอกพอจะดูได้ แต่พอผาอกผ่าท้องออกมาดูแล้วไม่น่าดูเลยใช่ไหมเห็นกระเพาะเห็นลำไส้เห็นตับเห็นไตเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นโครงกระดูกเนี้ยเห็นกระโหลกศีรษะถ้าเห็นอาการเหล่านี้มันก็จะกำจัดกามอารมณ์ได้ความอยากจะเสกกามได้ถ้ามันกำจัดตัวนี้ได้มันจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เด็กต่อไปลเพราะมันไม่จําเป็นต้องมีร่างกายแล้วนี่เถึงมันเห็นว่ามีร่างกายทุก เกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไม่มีมันดีกว่าสองแต่ยังอยากจะใช้ร่างกายไปเสพกามอยู่พอเห็นว่าร่างกายมันไม่น่าเสพกามมันไม่สวยงามอย่างที่เราคิดมันก็เลยไม่มีความอยากที่จะเสพกามเมื่อไม่มีความอยากจะเสพกามมันก็ไม่รู้มีร่างกายไว้ทำอะไรก็ไม่ต้องใช้ร่างกายต่อไปก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปอ น, นี้คือการตัดภพตัดชาติด้วยปัญญา อันนี้ระดับโลกรุตแต่ละต่างกับปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิเพียงแต่ใช้ไต่ลักพิจารณาสิ่งที่ทำให้เราวุ่นวายใจให้เราปล่อยวางสิ่งนั้นเสียแล้วเราก็จะได้สงบสติอารมณ์แล้วกลับมาแต่เรายังไม่ได้มาแก้ไ อ, ไอตัวกิเลสที่มันยึดติดตละตัวร่างกายของเรานี่อันนี้เราต้องใช้ ใช้ใช้ไตรลักษณ์อีกระดับหนึ่งใช้สติปัญญาใช้ใช้สติกระดับหนึ่งสติที่มีกําลังพอที่จะหยุดความอยากอันนี้ได้ความอยากนี้มันแรงมากจะหยุดไม่ได้ต้องเป็นเป็นจิตที่มีสมาธิแล้วมีอัปปนาสมาธิแล้วแล้วมีปัญญาที่เห็นร่างกายนี้เป็นไตรลักษณ์ถึงจะหยุดถึงจะปล่อยวางความความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายได้แล้วก็ ต้องใช้ปัญญาสติปัญญาระดับนี้อันนี้พิจารณาอสุภะต้องเห็นอสุภะตลอดเวลาเพราะว่าคนที่เห็นอสุภะก็มีอยู่พวกหมอพวกแพทย์ที่เขาผ่าศพนี้เขาก็ผ่าทุกวันแต่พอกลับไปบ้านเขาก็ไปนอนกับแฟนเขาตอนที่ไปนอนเขมองไม่เห็นศพแล้วเขาลืมศพไปแล้วเขาเห็นเป็นนางฟ้าไปแล้วเห็นเป็นพระเอกไปแล้วเห็นเป็นเทวดาไปแล้ว ถ้าเป็นปัญญาจริงๆมันจะเห็นตลอดเวลาเห็นร่างกายเวลาไหนเมื่อไหร่พอจะเกิดการอารมณ์ขึ้นมาจะเห็นเป็นซากศพทันทีจะเห็นอาการสาสิบสองที่อยู่ภายใต้ผิวหนังของร่างกายทันทีมันต้องเห็นแบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นวิปัสสนาเป็นปัญญาที่จ ะ, ะตัดภพตัดชาติตัดกิเลสได้อย่างถาวรเข้าใจไหแล้วมันก็ยังมี เหนือเหนือเหนือร่างกายไปแล้วจิตมันก็ยังติดยังไปติดอยู่กับติดติดอยู่กับจิตที่สงบเองเพราะจิตที่ปล่อยวางร่างกายได้ปล่อยวางความแก่ความเจ็บความตายได้จิตมันก็จะสงบโดยธรรมชาติแต่ในความสงบที่ยังมีกิเลสฝังอยู่ยังมีความอยากอยากให้มันสงบไปเรื่อยๆซึ่งความสงบนี้มันก็อาจจะถูกอย่างอื่นมาทาให้มันหายไปได้ เป็นเวลาไปสัมผัสรับรู้กับคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้เขาพูดไม่ดีเขาดูถูกดูแคลนเราก็ยังเกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอย่เพราะจิตยังไม่ได้รับการารับการสอนให้ปล่อยวางอัตตาตัว ต, วตนที่ที่จิตยังถืออยู่ในจิตนั่นเราด้นก็ถืออัตตาตัวตนในร่างกายด้วยถือในจิตด้วยแล้วปล่อยอัตตาตัวตนในร่างกายได้แล้ว แต่เรายังไม่ได้ปล่อยอัตตาตัวตนในจิตเราก็ต้องไปคอยสอนจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่อัตตาตัวตนอาจจะจิตนี้เป็นตัวรู้เฉยๆตัวอัตาตัวตนนี้เป็นตัวหลงที่เกิดไปที่ไปคิดว่าเป็นตัวเราของเราขึ้นมาเองก็ต้องคอยแก้ตัวนี้เวลามันจะถือตัวก็ต้องบอกไม่มีตัวตนเราเป็นตัวรู้อย่าไปยึดติดกับตัวตนที่เขาสมมติให้เราเป็นเช่นให้เราเป็นอาจารย์ พอเราเป็นอาจารย์ถ้าเขาเป็นลูกศิษย์ล้เาเขาไม่เคารพเราเดี๋ยวอาจารย์ก็เสียใจนะพอไปยึดติดว่าเราเป็นอาจารย์แต่ถ้าเรายึดติดว่าเราเป็นตัวรู้รูเ้เฉยเฉยไม่ได้เป็นอะไรใครจะเคารพนับถือเราหรือใครจะไม่เคารพนับถือเราก็รูเ้เฉยเฉยไปไม่มีตัวอาจารย์ตัวอาจารย์ก็เป็นเพียงตัวสมมติโลกเขาสมมติเขาแปะชื่อให้เราที่หน้าอกเราว่านี่เป็นอาจารย์เท่านั้นเอง แต่ตัวตัวจริงแท้ๆของเราไม่ใช่ตัวนี้ตัวจริงแท้ๆของเราก็คือตัวรู้เฉยๆสักดแต่ว่ารู้ไงที่เราได้จากสมาธิเวลานั่งสมาธิเราจะได้ตัวนี้แล้วเราจะได้รู้ว่าเนี่ยนี่แหละคือตัวจริงของจริงของเราคือตัวแท้ตัวรู้นี้เท่านั้นเองส่วนตัวตัวเราของเรานี่เป็นสมมติเราใช้กันเพื่อที่เราจะได้คุยกันรู้เรื่องว่าเวลาคุยกันคุยกับใครใช่ไห คุยกับอาจารย์คุยกับลูกศิษย์คุยกับพี่คุยกับน้องคุยกับพ่อคุยกับลูกมันก็มีสมมุติตามมาแต่อันนี้ไม่ใช่เป็นตัวจริงแท้จริงตัวจริงแท้จริงเหมือนกันเขาก็ตัวรู้เราก็ตัวรู้ท่านเองพอรู้เข้าใจมันก็จะปล่อยมันก็จะทําลายอัตตาตัวตนที่ยังหลงติดอยู่ในจิตอยากจิตที่เป็นตัว ที่มีตัวตนก็หายไปกลายเป็นจิตบริสุทธิ์ขึ้นมากลายเป็นจิตที่ปราศจากตัวตนพอไม่มีตัวตนแล้ใครจะด่าก็ไม่รู้ว่าด่าใครนไม่มีตัวตนไปรับเนี่ยมีแต่ตัวรู้รับรู้เฉยๆรู้ว่าเขาด่าด่าก็ด่าไปรู้ว่าเขาชมก็ชมไปแต่ไม่รู้ว่าเขาด่าใครว่าชมใครเี่ยไม่มีตัวตนออกไปรับรู้เฉยๆแล้วใจก็ยังไม่ทุกข์ฮะ ตัวรู้ก็ไม่เที่ยงตัวรู้เที่ยงแต่ตัวคิดนี่ไม่เที่ยงตัวที่คิดว่าเป็นเราของเรานี่ไม่เที่ยงมันคิดอยู่เรื่อยๆพอนั่งสมาธิมันหยุดคิดมันก็หายไปแต่ตัวรู้ก็ยังอยู่ต่อไปตัวรู้รู้อยู่ตลอดเวลาตัวรู้นี่ไม่มีไม่มีวันดับมันรู้ของมันอยู่เวลามันจะรู้กับอะไรอยู่ที่สติเป็นตัวนึงมันไปให้รู้ถ้ามีสติมันก็จะดึงให้รู้อยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธอย่างเดียว ถ้าไม่มีสติมันก็จะไปกับความกระแสของความคิดคิดอะไรก็คิดมันก็รู้อยู่กับเรื่องนั้นเดี๋ยวจากเรื่องนั้นก็ไปคิดเรื่องนู้นต่อมันก็รู้ไปเรื่อยๆแล้วแต่ความคิดจะคิดให้มันรู้ก็ได้แล้วมันก็โงมันก็ตัวคิดบอกให้มันเป็นอะไรมันก็คิดมันก็เป็นไปตามที่ตัวคิดบอกบอกให้เป็นนายกมันก็เป็นนายกขึ้นมาใชเชื่อไหมพอก็ตั้งให้เป็นนายกก็คิดว่าตัวเองเป็นนายกจริงๆ บอก็ขบอกให้เป็นอาจารย์ก็คิดว่าเป็นอาจารย์จริงๆบอกให้เป็นพ่อเป็นแม่ก็คิดว่าเป็นพ่อเป็นแม่จริงๆมันมันถูกความคิดปั่นหัวอยู่ตลอดเวลาหลงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นพ่อเป็นแม่ว่ามันเป็นลูกว่ามันเป็นลูกมันไม่เคารพเราเราก็เลยไปโกรธมันมันไม่รู้ว่าเป็นพ่อเป็นแม่เราเนี่ยถ้าเราไม่ไปสอนมันมันก็ไม่รู้ใช่ไหมเด็กบางคนเด็กที่ไม่รับรู้เนี่ยไปสอนมาแล้วมันไม่รู้อ่ะมันไม่รู้ใครเป็นพ่อเป็นแม่มัน แต่เรารู้ว่ามันไม่รู้เราแล้วไม่โกรธมันแต่ให้คนที่มันรู้ที่เรารู้ว่ามันรู้ว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่มันแล้วมันไม่เคารพเราเราก็จะโกรธมันอันนี้มันเป็นเรื่องของความคิดทั้งนั้นเน่ะคิดปรุงแต่งเน่ยปรุงแต่งให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ให้เป็นพ่อให้เป็นแม่ให้เป็นพี่เป็นน้องคามจริงตัวรู้นี่เป็นเหมือนตัวละครพวกเราเป็นเหมือนตัวละครเวลาเราไปสนับที่โรงละครเขาก็อ่ะตัวนี้เป็น หอเป็นเศรษฐีอ่าตัวนี้ให้เป็นขอทานตัวนี้ให้เป็นผู้ร้ายตัวนี้ให้เป็นคนดีแล้วก็ไอตัวความคิดนี่แหละเป็นตัวเป็นผู้กำกับให้เราเล่นละครกันเข้าใจไหมให้ตัวรู้นี่มาเล่นละครกันมาหลอกกันแต่คนเจริญนี่ถ้าเข้าถึงตัวนี้ได้จะไม่หลงจะรู้ทันว่าเป็นเพียงแค่ความคิดเป็นเพียงแค่ตัวตัวคิดตัวจิตคิดปรุงแต่งขึ้นมาตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์ต่างๆที่เขา ที่เขามอบให้กับเราใช่ไเนี่ยที่เราเป็นอาจารย์ก็เพราะว่าสถานการณ์ต่างๆเขายอมรับว่าเราเป็นอาจารย์ท่านั้นเองแต่ความจริงมันก็เป็นแค่แค่สมสมมติเท่านั้นเองตามสถานการณ์เท่านั้นเองเรื่องมันก็เป็นชั่วข่าวเดี๋ยวพอร่างกายตายไปมันก็จบไปมันก็กลับมาเป็นตัวรู้ตัวคิดใหม่แล้วก็ไปเริ่มเล่นละครลงใหม่เวลาไปเกิดใหม่มันก็ไปรับบทใหม่ต่อไปเกิดเป็นลูกของใคร ลูกของเศรษฐีก็เป็นลูกก็เล่นบทของลูกเศรษฐีลูกของพระเจ้าแผ่นดินก็ไปเป็นก็ไปเป็นเจ้าชายเห็นไหมไปเป็นลูกขอทานก็ไปเป็นขอทานเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่บทบาทที่จะได้รับเนี่ยตัวที่จะให้เราไปรับบทบาทอันนี้ก็เรียกบุญกรรมเนี่ยบุญหรือบาป ท, ที่เราไปแสดงไปเล่นละครแต่ละภพแต่ละชาเนี่ยเปล็นบทบาทไปเรื่อย ชาตินี้อาจจะจนแต่ถ้าขยันทําบุญเดี๋ยวชาติหน้าไปเกิดเป็นลูกคนรวยก็ไดนะ้ชานี้รวยแต่ไม่ยอมทําบุญเลยมีเงินก็กินเหล้าเมายาเที่ยวเตะเล่นการพ น, นันพอตายไปก็เดี๋ยวไปเกิดเป็นลูกคนจนก็ไดนะ้นียมันก็เปลี่ยนบทบาทไปใช่หไหมตัวรู้เนี่ยมันถูกตัวคิดตัวเหตุการณ์ต่างๆสอนมันให้มันเป็นพอมาจากท้องแม่เดี๋ยวแม่ก็สอนแนละ้วลูกเป็น พ่อเป็นกษัตริย์นะพ่อแม่เป็นพระนางเจ้านะอะไรอย่างนี้วิธีอย่าพูดกับกษัตริย์ต้องทำอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้มันก็ถูกสอนมาตั้งแต่เกิดหรือถ้าไปอยู่กับบ้าลูกของคนจนเขาก็สอนอีกอย่างอยู่แบบคนจนไปตัวรู้มันไม่ฉลาดมันก็เลยมันก็เลยถูกสิ่งแวดล้อมหล่อหลอมให้มันคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเรามาศึกษามาปฏิบัติธรรมเราจะรู้ว่า ตัวรู้นี้ก็เป็นค่าตัวรู้ตัวคิดก็เป็นตัวคิดเราแยกแยะมันได้ว่าความคิดเท่านั้นเองว่ามันเป็นสมมุติมันเป็นเป็นสิ่งที่เขาบัญญัติขึ้นมาแล้วภายในใจเราอาจจะไม่เชื่อก็ได้แต่ภายนอกใจเราก็ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติเขาเพราะถ้าเราไปทำผิดบทบัญญัติก็อาจจะถูกเขาเตะออกจากวงการได้ใช่เป็นอย่างนี้เป็นพระก็ต้องปฏิบัติ ต, ตัวอย่างนี้ ในใจอาจจะคิดว่าเป็นโยมก็ได้ใใแต่เวลาปฏิบตัติต้องอย่าปฏิบัติเป็นโยมนะถ้าเป็นปฏิบัติเป็นโยมเดี๋ยวเขาจับศึกเห็นไ้อยากจะเป็นโยมในใจไม่มีใครรู้เข้าใจอย่างโยมนี่จะเป็นพระในใจก็ไม่มีใครรู้ก็จะามาในภายในใจไม่มีใครรู้แต่ภายนอกนี้เราต้องเราต้องรู้จักฐานะของเรา ว่าเราอยู่ในฐานะไหนเราก็ต้องทําตัวให้เราเข้ากับฐานะของเราไม่เช่นนั้นเขาจะไม่ให้เราอยู่เขาจะหาว่าเราเป็นบ้าเงี้ยใช่ไหมอันนี้ก็เรื่องของความคิดแล้วก็เรื่องของตัวรู้ที่ถูกความคิดหลอกให้เป็นไปตามที่ความคิดบอกอแต่ถ้าก็มีปัญญามานั่งคิดว่าเอ้ยนี่มันแค่ความคิดเอย่ามันเป็นแค่สมมติเป็นแค่เหตุการณ์เท่านั้นเองตัวจริงๆของเรามันมันก็ไปแค่ตัวรู้เท่านั้นเอง เรากลับมาอยู่ที่ตัวรู้แล้วเราจะไม่เดือดร้อนใครจะชมใครจะด่าใครจะดูถูกใครจะยกย่องสรรเสริญมันก็เป็นคําพูดของเขาเท่านั้นเองแต่เราก็เป็นแค่ตัวรู้เท่านั้เนเอะเพียงแต่ว่าเรามาเกิดในโรงละครนี้เขาให้เราเล่นบทนี้เท่านั้นเองถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็จะปล่อยวางสมมุติได้หมดไม่ยึดติดกับอะไร ใจก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปตอนต้นก็ปล่อยวางร่างกายก่อนพอปล่อยวางร่างกายก็ไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายแต่ก็ยังมาทุกข์กับเรื่องของจิตใจที่ยังไปหลงคิดว่าตัวเองเป็นนู่นเป็นนี่อยู่ที่มีมานะมีการถือตัวอยู่ถือว่าเป็นอาจารย์ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ถ้าผู้น้อยไม่ให้ความเคารพก็เสียใจเพราะมีความอยากให้เขาเคารพ่ย แต่พอรู้ว่าอันนี้เป็นแค่ตัวสมมติตัวจริงของเรานี้เป็นตัวรู้เฉยๆไม่มีใครจําเป็นจะต้องมาเคารพเรา <laughs> ถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วมันก็สบายใจไม่มีใครเคารพเราเราก็ไม่เดือดรอ้อนไม่เสียใจใช่ไหมแต่เราไปหลงที่ว่าเราเป็นแม่ลูกเราต้องเคารพเราเงี่ยพอลูกเราไม่เคารพเราเราก็เสียใจเพราะเราไม่รู้ตัวจริงของเราว่าเราเป็นใครเราไปคิดว่าเราเป็นแม่เป็นความคิดกนะ็เนี้ยแต่ตัวจริงของเราแท้ๆเป็นตัวรู้รู้เฉยๆ แต่เราไม่ได้อยู่กับตัวรู้เราไปอยู่กับตัวแม่ตัวพ่อตัวอาจารย์ตัวลูกศิษย์ตัวอะไรก็แล้วแต่เพราะมนตัวสมมุติเท่านั้นตัวจริงๆของเราคือตัวรู้ให้รู้เฉยๆรู้ว่าเขาด่าเราก็รู้เฉยๆเขาไม่ได้ด่าเราเขาเขาด่าเขาไม่รู้เขาด่าใครเขาด่าร่างกายร่างกายมันก็เป็นแค่ดินน้ำลมไฟใช่ไหมตัวรู้เขามองไม่เห็นหรอกเขาไม่เห็นเราตัวรู้จริงๆของเราไม่มีใครเห็นหรอก ตัวรู้นี่เป็นมนุษย์ร่องขนใช่ไหมตีเขาด่าเขาด่าร่างกายร่างกายก็ไม่ใช่เราเราไปเดือดร้อนแทนร่างกายทําไมเวลาเขาด่าร่างกายเวลาเขาตบตีร่างกายมันก็ตบตีร่างกายมันไม่ไปตบตีตัวรู้สักหน่อยแต่ถ้าเราไปหลงไปคิดว่าร่างกายเป็นเราเราก็เลยเดือดร้อนแทนร่างกายไปแค่านั้นเองอันนี้ต้องปฏิบัติมันต้องใช้เวลามากศึกษามากหรู้ถ้าเข้า เข้าสมที่ได้เหลือแต่ตัวผู้รู้อมันจะเริ่มเข้าใจแต่ถ้าเกิดว่าวิปัสสนาสูงถ้าเราเหมือนเข้าสมัยใช้ตลอดเวลาอยู่ที่ตัวรู้อย่างเดียวอย่างนั้นก็จะเป็นก็ได้ครับโดยที่มันอยู่ไม่ได้สิเพราะมันต้องออกมาเพราะร่างกายมันต้องให้เราต้องเลี้ยงดูร่างกายต้องขับถ่ายต้องหากินให้มันอยู่พอออกมามันก็ไปรับรู้เหตุการณ์ต่างๆแล้วมันก็ไปคิดปรุงแต่งมันก็ไปหลงกับความคิดปรุงแต่งตอนนั้นต้องใช้ปัญญาคอยสอนว่าให้เราไม่ใช่ร่างกาย เราไม่ใช่นั่นไม่ใช่นี่นี่ยเราเป็นแค่ตัวรู้อันนี้แหละถึงต้องใช้ปัญญาแล้วพอมันจะออกไปทําบทบาทว่าเป็นนู่นเป็นนี่ก็หยุดกันเสียอถ้าจะมีบทบาทก็มีเท่าที่จําเป็นจะต้องมีเพื่อข่ารลบตามกฎสมมุติของคนอื่นเขาเขาเขารู้ว่าเราเป็นพ่อเขาแล้วก็เราก็สแสดงบทพ่อให้เขาไปแต่เรารู้ว่าเป็นการสแสดงเท่านั้นเองโดยจริงๆของเราเราไม่ได้เป็นพ่อเขาแร้ว ตัวเขากับตัวเราจริงๆก็เท่ากันเหมือนกันเขาก็เป็นตัวรู้เราก็เป็นตัวรู้แต่เขาไม่รู้ความจริงอันนี้เขายังหลงอยู่กับความคิดของเขาอยู่เขายังหลงอยู่กับสมมุติของเขาอยู่แต่เราหลงหรือเปล่าเนี่ยถ้าเราหลงเราก็ต้องแก้ที่ตัวเราว่าเราไม่ได้เป็นอะไรเลยเราเป็นแค่ตัวรู้เท่านั้นเองให้เรารู้เฉยๆที่จะทาอย่างนั้นถาวาก็ต้องเจริญสภาวะอ ทุกอย่างอ่ะทุกอย่างที่จะที่มันมาเกาะกับเจตัวรู้นี่ว่าเป็นตัวรู้ต้องต้องตัดนั้นหมดไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเอานะวันนี้ธรรมะลึกซึ่งนานๆจะได้พูดต้องมีคนมีปัญญามาแย่ถึงจะออกก่อนไม่มีปัญญาพูดไปไม่พูดไปก็ไม่เข้าใจมันก็ไม่ออกมาออ ในสติปัฏฐานมีกายเวทนาจิตธรรมก็ไปแกะมันไงแกะมันทีละตัวกายก็แกะมันออกไปเวทนาก็แกะมันออกไปจิตก็ตัวสุดท้ายนี่ในโล ก, กุตละมีาสารบานสกิดานะัาซึ่งมันเป็นธรรมในแต่ละข้อของก็ที่เราแกะออกไปไงแกะร่างกายได้แกะเวทนาได้ก็เป็นโสดาบันแกะอสุภะได้ก็เป็นอนาคาเมี แล้วแกะจิตได้แกอับตาตัวตนในจิตได้ก็เป็นอ拉หันขึ้นมาอยู่ในสติปัฏฐานนั้นโดยใช้ธรรมเป็นตัวเครื่องมือใช้โพดชงใช้อะไรที่อยู่ในใช้อริยสัจสี่ใช้ตายรักเนี่ยเป็นเครื่องมือแกะสิง่งอนี้ให้ออกจากใจตอนนี้มันพูดพอจิตใจเราให้จิตใจเราหลงไปคิดว่าเราเป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นเป็นนั่นเป็นนี่ขึ้นมาเท่านั้นเองต้องปฏิบัต เราต้องเห็นอย่างชัดเจนตลอดเวลามก็ต้องต้องมีกำลังถึงจะมีมีกำลังที่จะมาพิจารณามาปฏิบัติได้ตลอดเวลาเพราะถ้าไม่มีอปปนาสมาธิกิเลสมันมีกาลังมากกว่ามันจะลังเรื่องเรากลับไปหาสมมุติอยู่เลือเดืองเรากลับไปหาร่างกายกลับไปหาเวทนากลับไปห า, าตําแหน่งต่างๆฐานะต่างๆของเราว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่ แต่ถ้าเรามีอปนาสมาธิกิเลสจะไม่มีกําลังดึงไปแต่คิดมันจิต ก, ก็จะไม่มาเองเราต้องใช้ปัญญาดึงมันมาดึงให้มันมาคิดว่าเป็นตายรักทั้งหมดว่ากายเวทนาจิตนี้เป็นตายรักหมดถึงต้องใช้ปัญญาตอนนั้นอนปนาสมาธินี้หยุดไม่ให้กิเลสดึงไปทางทางโลกกระทำทางล า, าบยศสรรเสริญแล้วพอหยุดแล้วก็ต้องใช้ปัญญาดึงมันเข้ามาเพื่อให้มาถอดถอน ความหลงที่ไปยึดติดกับกายเวทนาจิตอีกที่หนึ่งแล้วนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาสำหรับช่วงแรกจะอนุโมทนาให้พรยะถ า, าวารวาหาปุราปรลิกปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิตูินังเปตานาังอุ ป, ปกาปติอิชิตังปัิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจโต สัพเพปุเรนตุสังกาปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพหิติโยวิวาจานตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตตวันตารายอสุขีทีขายุโกภวะ อาพิวาธานัสสิลิตะนิจจังวุทธาปจายิโนจตารุธรรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลางมันนี่ดีจังเลยฮะแล้ว ไ, ได้ความเข้าใจต้องมีฐานก่อนต้องมาศึกษามาก่อน ถ้าไม่ศึกษามาพูดยนี้ยังไม่เข้าใจเลยว่าพูดเรื่องอะไรกันเพราะมันเป็นวิชาเหมือนทางกฎหมายถ้าไม่เคยศึกษากฎหมายไปนั่งฟังอาจารย์ที่บายไม่รู้เรื่องออลองมีพื้นฐานก่อนต้องเรียนมาก่อนต้องมีทฤษฎีก่อนอันนี้พูดในเชิงปฏิบัติไม่เหมือนกับทางทฤษฎีทฤษฎีจะรู้แต่ชื่อมันแต่ฟังแล้วสับสนไมหมดไม่รู้ หับต้นชนปลายไม่ถูกต้องปฏิบัติมันถึงจะเรียงลำดับได้ว่ามันมาอย่างไงมันเป็นอย่างไงมันเชื่อมต่อกันอย่างไรนีอาการคุยกับคนที่รู้คนที่ปฏิบัติมันไม่เหมือนกับคุยกับคนที่เรียนมันไม่เหมือนกันคนที่เรียนนี่อธิบายไม่ได้นฟังเข้าใจไหมเข้าใจค<ะ>รับแต่ยู่ปฏิบัติไม่ได้สติไม่ทันสติไม่ทันความคิดมันเร็วกว่า มันยังคิดไปทางสมมุติอยู่คิดไปเยอะต้องหยุดมันก่อนหยุดความคิดทางสมมุติก่อนแล้วก็นึกมาคิดทางปัญญาต่อไป <c oughs> วันนี้มีคนเข้ามาเท่าไหร่ Facebook สา7ร้ยเจ็สิบเจ็ดค่ะ YouTube หนึ่งร้อยเจ็ดวิทยุสิบเจ็ดรับฟังบนเขาสี่สิบเก้ารวมทั้งหมดห้าร้อยห้าสิบค่ะอ่าตองห้าเอาไมตอห้ามีใครอยากจะถามไหม่ะนี่เตรีย ม, มยไม้ไว้แล้วนี่ ก็แค่หนูเขาหรออันนี้สมาชิกใหม่เจ้าค่ ะ, ะเลยทางเดินพอดีที่พอาจารย์พูดว่าตายรักสามพอดียังไม่เข้าใจอะค่ะอ่าคำว่าตายลักก็คือตายแปลว่าสามไงรักแปลว่าลักษณะลักษณะสมประการที่มีอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้จะมีสามลักษณะคือไม่เที่ยงของทุกอย่างมีเกิดมีดับ เป็นร่างกายเรามีเกิดแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตาย่นี้เก็ไม่เที่ยงลักษณะที่สองอนัตตาคือเราไปควบคุมบังคับมันไม่ได้ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยงอยากให้มันอยู่ในคำสั่งของเราเราก็จะทุกข์เราจะเสียใจเพราะมันจะไม่ได้ดังใจอยากถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยาก นี่คือความหมายของตายรักถ้าเราเห็นว่าทุกอย่างเป็นตายลักเราก็จะไม่ไปอยากไปยุ่งกับเขาเพราะเวลาเราไปยุ่งกับเขาเราอยากจะให้เขาเที่ยงใช่ไหมได้ใครมาก็อยากจะให้เขาดีไปตลอดแต่พอเขาไม่ดีเราก็เสียใจเพราะเรามองไม่เห็นตายรักพอเราไปเอาอะไรมานิสแสดงแล้วเรามองไม่เห็นตายรักแล้เราไปมองเห็นว่ามันเป็น เป็นสุกวเป็นของดีเป็นของเที่ยงเป็นของที่เราสั่งได้ควบคุมบังคับได้เราเลยไปเอามาพอเอามาแล้วเดี๋ยวพอมันไม่เที่ยงขึ้นมาก็เสียใจร้องห่มร้องไห้ขึ้นมาแสดงว่าเราทุกข์ทุกอย่างมันจึงเรียกว่าเป็นตายรักมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไปยุ่งกับมันเข้าในไหมถ้าเราไปเอามาครอบครองเป็นสมบัติของเรา พราพอเราไปครอบครองเขาแล้วเราก็จะอยากให้เขาเที่ยงอยากให้เขาอยู่ภายใต้คําสั่งของเราแต่เขาไม่เที่ยงเขาจะไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเราเสมอไปอย่างลูกเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้คําสั่งเราไปตลอดไหอมันดีเกินดีมันก็จะดื้อขึ้นมาไม่ฟังเราพอไม่ฟังเราแล้วก็เสียใจล้วทุกข์ใจขึ้นมาถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ใจก็อย่าไปสั่งเขาสั่งเท่าที่สั่งได้แต่อย่าไปหวัง สั่งแล้วเขาไม่่เขาไม่ฟังก็แล้วไปอย่างนี้ก็ไม่ทุกขรางทีต้องสั่งต้องสอนเพราะเขาไม่รู้ไงหน้าที่เราต้องสั่งต้องสอนเขาอย่าสั่งสอนแล้วอย่าไปอยากให้เขาเชื่อฟังเราทุกอย่างถ้าเ็าเชื่อฟังเราได้ก็ดีเป็นประโยชน์กับเขาไม่ได้เป็นประโยชน์กับเราแต่ถ้าเ็าไม่เชื่อก็ช่วยไม่ได้แต่ถ้าเราไปอยากเขาเชื่อเขาไม่เชื่อเราจะทุกข์เราจะเสียใจนความทุกข์เกิดจากความอยากของเรา ที่ไปอยากให้ของที่ไม่เที่ยงมันเที่ยงอยาก ใ, ให้ของที่มันไม่ฟังเราให้มันฟังเราเชื่อฟังเราเข้าใจยังค่ะเออคือหนูเคยอยากนั่งสมาธิแต่ว่านั่งไม่ได้เพราะว่าจิตมันไม่นิ่งไ ง, งค่ะก็ไม่มีต<ร>สติไงไม้ฝึกสติก่อนย่านั่งต้องหัดพุดโทโธไปก่อนพุโทโธนี่ต้องหัดทั้งวันเลยลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธไปเลยอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่องนี้เรื่องนี้พอลืมตาขึ้นมา จะลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําไปอาบน้ําอาบท่ายล้างหน้าแปรงฟันก็พุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้มันไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไม่ถึงเวลาคิดเข้าใจไหมไว้ถึงไปที่ทํางานแล้วค่อยคิดถึงเวลาจะต้องทําอะไรแล้วค่อยคิดแต่ตอนที่ไปเตรียมตัวไปทํานี้ไม่ต้องไปคิดอย่าปล่อยให้มันคิด <c oughs> ก็ใช้พุทธโธพุโทโธหยุดมันถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธเราก็จะหยุดความคิดได้พอเรานั่งสมาธิมันก็จะนิ่งได้ <c oughs> มันต้องหัดพุโทโธก่อนหัดมีสติก่อนฝึก ส, สติขึ้นมาก่อ น, นไงหนูไม่มีอะไรถามนะหนูทําไมต้องดื้อกับพ่อกับแม่ด้วยเพราะความอยากของหนูใช่ไหมหนูก็ทุกกับพ่อกับแม่ใช่ไหมพ่อพ่อแม่ก็ไม่เที่ยงเนี่ยบางทีก็เอาใจบางทีก็ไม่เอาใจใช่ไหมเอนี่ยทุกกันด้วยกันทุกคนเพต่างคนต่างจะเอาตามเอาใจตัวเอง พอมันไม่ถ right> ูกใจตัวเองก็เลยทุก sí ข์ก yes, ันเพราะเราไม่เห็นไม่รู ung, <S <S <S ้ว่าของต่างๆมันจะให้เราถูกใจเราเสมอไม่ได้ไปสั่งให้เขาทาให้เราทำาทำให้เราถูกใจเสมอไม่ได้บางทีเขาก็ทำให้เราไม่ถูกใจเราก็ทำให้เราไม่ถูกใจเราก็ทุกข์กันเพราะเราไปอยากให้ให้ถูกใจเงี่้เราต้องมาหัดเปลี่ยนนิสัยใหม่ต่อไปนี้เราอย่าไปอยากให้อะไรมันถูกใจเรามันจะให้มาอะไรมาก็ปล่อยก็ให้ไป ทาเราเราก็รับรู้ไปรับฟังไปเท่านั้นเองแล้วเราก็จะไม่ถูกคำถามคำถามจากคุณนงนุชค่ะโยมเป็นอยู่ตอนนี้คือสติตามไม่ทัน หรือไม่ถ้าใช่จะแก้อย่างไรคะคือโยมนั่งสมาธิกำหนดพุโทโธนั่งได้ไม่นานจิตจะสวดมนต์แรกๆที่เป็นก็นานพอสมควรจึงรู้ตัวก็ดึงกลับกำหนดพุโทโธใหม่แต่ระยะการรู้ตัวจะเร็วขึ้นกว่าเดิมเรื่อยๆจนวันนี้มีอาการแบบเดิมอีกแต่จะรู้ตัวเร็วขึ้นพอจิตเริ่มสวดมนต์จะดึงกลับทันทีแล้วกาหนดพุโทโธต่อ แต่จิตจะอยู่กับคําภาวนาพุโทโธแค่นั้นจนถึงเวลาเลิกจะทำอย่างไรให้การภาวนาก้าวหน้ากว่านี้คะก็ต้องพุโทโธให้มากให้ถี่ขึ้นให้มันต่อเนื่องต้องพยายามฝึกพุโทโธก่อนที่มานั่งเพราะจิตมันยังวิ่งไปวิ่งมาอยู่พุโทโธสองขับก็เดี๋ยวก็แวบไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ถ้ามันอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวเดี๋ยวจิตก็จะรวมได้ยังต้องพยายามพุโทโธไป ก่อนที่จะมานั่งไม่ใช่แต่จะมาทําพุทธโธตอนที่นั่งเท่านั้นเพรตอนนั้นมันกําลังไม่พอเหมือนนักมวยเนี่ยยังไม่ซ้อมเลยขึ้นเวทีไปตกไปชกกับเขาก็ถูกเขาชกนักเท่านั้นอะ่ะต้องซ้อมก่อนต้องซ้อมชกกระสอบทรายไปก่อนหรือนักวิก่งมาราธอนนี่เขาไม่ใช่มามาซ้อมซ้อมตอนวันวิ่งใช่ไหมวันแข่งก็มาประซ้อมวันวันแข่งก็สู้ก็ไม่ได้ คนที่จะแข่งมาราธอนนี้ก็ต้องวิ่งเป็นเดือนเป็นปีต้องฝึกทุกวันวิ่งทุกวันเพื่อให้เขามีกําลังมีความพร้อมพร้อมที่จะแข่งมันแต่ถ้าเราเช่นเดียวกับพุโทโธนี่ยถ้าเราไม่พุโทโธก่อนที่เราจะมานั่งเอามาเริ่มต้นมามาเริ่มพุโทโธตอนที่นั่งมันก็ชู่ความคิดไม่ได้เพราะมันความคิดมันคิดอยู่ตลอดเวลาคิดตั้งแต่ตื่นจนหลับรู้เปล่าเนี่ยความคิดมันทํางานตลอดเวลาเราไม่เคยหยุดกันได้เลย เนี่ยเราต้องมาฝึกหยุดมันก่อนหยุดก่อนที่เราจะมานั่งต้องพยายามพุโทโธพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะเวลานั่งมันก็จะอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวมันจะไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วจิตก็จะเข้าสู่สมาธิได้เนี่ยปัญหาที่นั่งเราไม่สงบไม่เป็นสมาธิเพราะสติมีกําลังไม่พอซ้อมน้อยไปหน่อยอ่อนซ้อมต้องซ้อมให้มากขึ้นอ่อนซ้อมอ่อนพุโทโธ ต้องพุทธโทตั้งแต่ลืมตาเลยเห <Yeah. S 1> มือนกับขึ้นเวทีก็ชกเลยอยับไวหว้ก็ชกแล้ ว, <Yeah. S 1> ยวหยับไหว้มันคิดพอมันจะคิดเราก็พุโทโธก่อนเลย yeah. Yeah. ไว้ให้มันคิดก่อนเรื่อยอ่าต่อไปคําถามจากคุณชนะตนคะ่ะเราฟังธรรมะได้เรื่อยๆไม่เบื่อทั้งที่บางทีเป็นเรื่องที่เคยฟังมาเป็นเพราะเรายังไม่เข้าใจถ่องแท้หรือเปล่าคะ ส่วนหนึ่งก็เป็นอย่างนั้นอ่ะอีกส่วนหนึ่งก็ฟังธรรมะแล้วมันทําให้เรามีความฉลาดมากขึ้นมีความรู้มากขึ้นแล้วความรู้ของธรรมะก็ไปทําใจให้สงบด้วยทําให้กิเลสมันเบาบางลงธรรมะจะไม่ตายแต่ตอนที่เราฟังธรรมะนี่กิเลสมันวิ่งหาที่หลบซ่อนหมดเลยมันไม่ออกมาเพ่นพ่านมันก็เลยทําให้จะฟังแล้วมีความสุขอันนี้สูงของของการฟังธรรมทำแล้วจะทําให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุข จะทําให้เกิดปัญญามีความรู้ที่ถูกต้องเรียก็สัมมาทิฏฐิคําถามจากคุณนุชนาฏค่ะตัวผู้รู้กับสติเป็นสิ่งเดียวกันใช่ไหมคะไม่ใช่หรอกตัวสติเป็นผู้ดึงผู้รู้ให้ให้ให้รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่มีสติผู้รู้มันก็ไม่รู้จะรู้กับอะไรแล้วแต่อะไรมาให้มันรู้มันก็รู้ความคิดอันไหนมามันก็จะรู้กับความคิดอันนั้นไปแต่ถ้ามีสติเราก็สั่งให้มันรู้อยู่กับเรื่องเดียวได้ แต่มันอยู่กับพุทโธได้อยู่กับร่างกายได้อยู่กับอะไรได้แต่ถ้าไม่มีสติมันก็ไปกับความรู้ความรู้ให้มันคิดคิดอะไรมันก็ไปรู้กับความรู้นั้นความรู้พรความคิดพระให้ไปหาคนนั้นมันก็ไปหาคนนั้นความคิดพระให้เราไปหาสิ่งนั้นมันก็มันก็ไปสิ่งนั้น uh. ผู้รู้ก็เหมือนเหมือนเด็กเนี่ยที่มีความคิดเนี่ยเป็นไกด์เป็นมักกุเทสความคิดเนี่ยเป็นตัวที่ดึงให้ผู้รู้ ไปนู่นมานี่ไปรักไปโกรธไปโลภนี่ก็ตัวความคิดเนี่ยพาไปแต่ถ้าเรามีสติเราก็จะสามารถควบคุมตัวคิดได้ถ้ามันจะพาเราไปกินเหล้ากินเบียรเราก็หยุดมันได้เราสั่งให้มันไปวัดได้นี่ตัวสตินี่เป็นตัวควบคุมความคิดอีกทีนค่ะำถามจะคุณเพิ่มซับค่ะ ผมอยากทราบว่าการพิจารณากายกับการดูจิตแบบไหนพิจารณาดีกว่ากันครับอ๋อมันเลือกไม่ได้หรอกมันเป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกับการเรียนหนังสือกายเวทนาจิตธรรมมันต้องไปตามนั้นพิจารณาร่างกายก่อนแล้วค่อยไปเวทนาแล้วค่อยไปจิตเพราะว่าความลึกลับซับซ้อนความยากง่ายมันต่างกันกายนี้มันง่ายกว่ามันชัดกว่าเห็นชัดๆัด จิตนี้ไม่รู้พูดถึงจิตนี่รู้เปล่าก็พูดดูจิตดูอะไรไม่รู้แล้วใช่ไหมดง<ช>นั้นเครื่องมือที่จะดูก็ไม่มีเครื่องมือต้องพัฒนาขึ้นมาก่อนต้องมีสติระดับสมาธิก่อนถึงจะเข้าไปสู่ระดับะระดับจิตได้เพราะนั้นอย่าไปดูจิตตอนตอนนี้ถ้ายังไม่มีสติดูพุโทโธก่อนดีกว่าดูพุโทโธมีพุโทโธอยู่ในใจหรือเปล่าเอาแค่นี้ก่อน มันมีพุทธโธพุทธโธไปทั้งวันก่อน Lean. แล้วนั่งสมาธิทําจิตให้มันรวมก่อนถ้าจิตรวมแล้วทีนี้ดูจิตได้นะเวลาจิตโลภก็จะเห็นว่าม <c oughs> ันโลภเวลามันโกรธก็จะเห็นว่ามันโกรธแล้วก็ต้องหยุดมันได้ Toby. พอมันโลภก็ต้องหยุดมันได้พอมันโกรธก็ต้องหยุดมันไ ด, ดไ้ถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ดูไปก็เสียเวลาเปล่าๆถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ต้องหาเครื่องมือมาหยุดมันเ ถ, <บ><บ>ถ้ามีสติก็หยุดได้ชั่วคราว ถ้้าาาาใหหมมัันยยุดออ่งงวก็ตีปญญคำถามจากคุณปาลิชาติค่ะขอพระอาจารย์เมตตาชี้แนะเรื่องการทำบุญที่ไม่ได้เกิดจากการทำทานค่ะออรักษาศีลเนี่ยก็ไม่ต้องทำทานรักษาศีลก็ได้บุญนะเนี่ยรักษาศีลห้าข้อได้นี่ก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายแล้วแต่ยังไปสวรรค์ไม่ได้จะไปสวรรค์ได้ต้องทาบุญ ทำบุญแบบไม่ใช้เงินก็ใช้ร่างกายไงไปเป็นอาสาสมัครป้องกันตึงก็ได้ไปเก็บศพเมื่อเวลามีงานที่ไหนเขาต้องการคนช่วยช่วยเหลือโรงเรียนมีงานก็ไปเป็นอาสาสมัครช่วยงานที่โรงเรียนไม่เอาเงินค่าจ้างนี้ก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญแบบไม่ต้องใช้เงินทองคําถามจากคุณวิชัยค่ะ การที่เราไม่ได้มีความอยากในสิ่งใหญ่ๆเช่นลาบยศแต่เรายังอยากมีความให้ผู้อื่นไม่ไม่อยากแบบเราเช่นเราหวังให้ผู้อื่นปล่อยวางหงุดหงิดวุ่นวายใจแบบนี้คือกิเลส ท, ที่ละเอียดขึ้นใช่ไหมครับมันก็เป็นความอยากละเอียดไหมละเอียดก็ไม่รู้แหละมันก็เป็นความอยากที่เราต้องกำจัดให้ได้ คำถามจากคุณตายค่ะหนูมักจะนึกถึงว่าประเดี๋ยวหนูก็ตายหนูระลึกถึงแต่ประโยคนี้การนึกถึงแต่ประโยคนี้มันจะช่วยให้เรามีสติไหมคะหรือเป็นการนึกที่ผิดมันนึกแบบมีสติก็ได้นึกแบบลอยๆก็ได้นึกแบบนกแก้วก็ได้แก้วมันก็นกแก้วมันร้องแก้วจ๋าแก้วจ๋า oh. แต่มไม่รู้ว่าแก้วจ๋าเป็นอะไรพอเอาแก้วให้มันมันไม่เอาอ่ะมันจะเอากล้วย แก้วก้าเอาแก้วกับกล้วยให้มันเลือกมันจะเอากล้วยทันทีแก้วไม่เอาอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราเลือกถึงความตา ย, ยคิดถึงความตายอยู่เรื่อยๆแต่ยังโลคอยู่ก็แสดงว่ายัางใช่ไม่ได้ถ้าคิดถึงความตายจริงแล้วมันจะไม่โลคจะให้เป็นคิดถึงความตายจริงต้งเจอของจริงเช่นเวลาเป็นโรคมะเร็งแล้วหมอบอกว่าเหลืออีกสามเดือนเนี่ยทีนี้นะ่ะคิดไม่คิดมันก็เห็นจริงแล้วต้องตายตอนนั้นมันอยากจะรวยไหมอยากจะมีแฟนไหม อไม่เอาแล้วใช่ไหมดังนั้นคอยหายก่อนอย่างเดียวคอให้อย่าตายอย่างเดียวดังนั้นถ้าจะคิดถึงความตายต้องคิดแบบนี้คิดว่าจะตายจริงๆอแล้วมันจะได้หยุดความโลภหยุดความโกรธได้ถ้ายังหยุดความโลภความโกรธไม่ได้ก็ยังไม่ใช่เป็นเป็นสติที่แท้จริงไม่ใช่เป็นปัญญาที่แท้จริงถ้าเป็นปัญญาที่แท้จริงนี่มันจะไม่โลภแล้วละ่ะถ้ารู้ว่าจะตายนี่ สามเดือนนี่จะตายนี่ยังอยากจะเป็นเศรษฐีหรือเปล่ายังอยากจะมีแฟนหรือเปล่ายังอยากจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่หรือเปล่าไม่มีลวความคิดเหล่านี้มันจะหายไปหมดเลยหนูตื่นขึ้นมาหนูก็จะนึกถึงความตายเพราะเมื่อเวลานึกถึงความตายหนูจะมีพลังทําความดีทําบุญแข่งกับเวลาที่เหลืออยู่หนูทําถูกไหมคะอ่าอย่างนี้นถูกอย่างนี้รู้เห็นจริงเห็นว่าต้องตายจริงต้องรีบทําความดีซะเพราะไม่รู้จะตายเมื่อไหร่ ้าาตยแลวก็จะไไม่ได้ทําควาามดีตยไปก็จะไไไม่ได้ปสวรค์คุณพรพิมลค่ะเมื่อวานนั่งเครื่องจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นั่งสวดมนต์เสร็จแล้วนั่งหลับตาแล้วพุทโธต่อไปเรื่อยๆตอนแรกหลับตาแล้วมืดมืดก็ท่องพุทธโทรไปเรื่อยๆต่อมาจากความมืดเป็นแสงสว่างแล้วนั่งต่อสักพักก็หยุดค่ะแบบนี้หนูปฏิบัติถูกไหมคะอะไรหยุด่ะพุทโธรหยุดอะ ถ้าพุโทโธหยุดก็ถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ถูกต้องพุโทโธต่อไปจนก่่นมันจะวุบลงไปจิตมันจะวุบนิ่งสงบแล้วเกิดความสุขขึ้นมาเป็นความสุขที่เราไม่เคยสัมผัสมา ก, ก่อนถึงจะหยุดพุดโทโธได้ถ้ายังไม่ถึงจุดนั้นก็ควรจะพุโทโธต่อที่มันหยุดนอาจจะเพราะมันขี้เกียจนะยังก็ต้องพุโทโธต่อไปคาถามจากคุณพีโกค่ะ ขอบวิธีฝึกตัวรู้ให้รู้ตลอดเวลาไม่ให้ตัวคิดมาครอบตัวรู้ครับตอนนี้นะใช้พุโทโธเนี่ยใช้พุโทโธพุโทโธมันก็จะหยุดตัวคิดพ อ, อตัวคิดไม่มีก็จะเหลือแต่ตัวรู้รู้เฉยๆคําถามจาคุณกิติยาค่ะมัคมีองค์ตร์คืออะไรคะอ่านแล้วก็ยังไม่เข้าใจดีค่ะอ๋อมัค ก, ก็คือทางที่จะพาเราไปฆ่ากิเลสไงเครื่องมือฆ่ากิเลสเรียกว่ามัค อันแรกเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องเห็นยังไงว่าถูกต้องเห็นว่าทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราเป็นเป็นตายรัก<ม>ที่เราทุกข์เพราะเราอยาก<ม>ถ้าเราเห็นอยาน่างนี้เราก็จะรู้ว่าถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยาก<ม> น, นี่คือความเห็นเรามีความเห็นว่าความอยากเป็นตัวปัญหาตัวที่สองคือสัมมาสังกปะความคิดที่ถูกต้องก็ ค, คิดว่าต่อไปนี้จะคิดไม่อยากไม่อยากอะไรทั้งนั้นไม่อยากแก่ แกก็ปล่อยมันแก่ไปจะไม่อยากจะจะไม่คิดว่าอยากให้มันไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายจะไม่คิดแบบนี้แล้วจะปล่อยเพราะคิดแล้วมันทุกข์ข่อยนะจะไม่อยากอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากร่ำอยากรวยอยากมีแฟนอยากอะไรทั้งนั้นเพราะอยากแล้มันทุกข์เวลาไม่ได้แล้วมันทุกข์ไหมอยากมีแฟนแล้วไม่ได้แฟนนี้ทุกข์ไหมอยากรวยแล้วไม่รวยนี่ทุกข์ไหมเนี่ยดูคนที่ที่ซื้อหวยดูเลย ยังไไม่ด้อตอนที่ตอนที่ยังไม่ออกนี่โหมีความหวังเต็มที่เลยพอออกแล้วไม่ถูกนี่หน้าพับเลยนะหน้าความหน้างอเลยนั่นแหละไปอยากพออยากก็ไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกนั่นต่อไปนี้จะไม่คิดจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากไปเที่ยวไหนไม่อยากอะไรทั้งนั้นนี่คือความคิดที่ถูกต้องสัมมาสังกัปป ข้อที่สามการกระทําที่ถูกต้องก็รู้ว่าการไปทําตามความอยากด้วยการไปทําบาปก็ไม่ดีถ้าไม่ถ้าไม่อยากแล้วมันก็จะไม่ต้องทําบาปไม่ต้องฆ่าไม่ต้องลักทรัพย์ไม่ต้องบอพืชผิดตัวไว้นี่ที่เรายังไปฆ่าไปลักทรัพย์อยู่เพราะเรายังอยากได้เงินถ้าอยากได้เงินหาเงินไม่ได้ก็ต้องไปขโมยเงินเขาแต่ถ้าเราบอกต่อไปนี้เราจะไม่อยากได้อะไรแล้วถ้าเราอยากจะได้อะไรที่จําเป็นก็จะหามาโดยที่ไม่ทําบาป ก็เพราะการทำบาปจะทำให้เราทุกข์นะแล้วเราก็จะไม่พูดโกหกออนี่ก็เป็นสัมมารกรรมโตสัมมาวาจาการกระทำที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องแล้วเราก็ต้องมีอาชีพที่ถูกต้องอาชีพที่ถูกต้องคืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นไม่ไปทำให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อนเช่นไม่ไปเป็นอาชีพฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าวัวฆ่าควายจับปูจับปลามาฆ่าขาย ไม่ไม่ทำอาชีพเหล่านี้เพราะมันจะทําให้คนอื่นเดือดร้อนแล้วเราจะทุกข์แล้วก็ให้เรามีความขยันหมั่นเพียรขยันที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดไปด้วยการจเจริญสติพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพสติก็เป็นสัมมาสติเป็นมรรค์ที่เจ็ดถ้าเรามีสัมมาสติเวลานั่งสามาธิจิตแล้วก็จะสงบก็จะได้สา ม, มาสามาธิ ได้ความสุขถ้าเราได้ความสุขจากสมาธิเราก็จะหยุดความอยากเลิกความอยากต่างๆได้หมดนี่ก็คือมรรคที่มีอง์แปดถ้ามีมรรคแล้วเราก็จะสามารถหยุดความอยากได้หยุดความทุกข์ได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดที่เกิดจากความอยากต่างๆได้คำ ถ, ถามจากคุณโอยมลิค่ะ หากเราต้องการจะเลี้ยงเพลนพระที่วัดต้องนิมนต์พระกี่รูปคะถึงจะจึงจะถูกต้องและเหมาะสมอ๋อไปถามที่วัดดูดีกว่าเราไม่เคยไปกินนี่เราไรถามผิดที่นะคำถามจากคุณจงแจงค่ะจากการปฏิบัติโยมเข้าใจว่าความสุขทางโลกไม่เที่ยงสุขเพราะได้สมใจอยากแต่สุขทางธรรมเป็นสุขที่สเสถียรกว่า น่าจะเป็นความสุขจากอุเบกขาที่เกิดจากการละตันหาทั้ง3มลงไปเรื่อยๆเข้าใจถูกไหมคะถูกแล้วถูกแล้วความสุขทั้งโลกพอได้มาเดี๋ยวก็เบื่อหาใหม่ไปเรื่อยๆแต่พอมาปฏิบัติยิ่งมีสติมากเรายิ่งมีความสุขในใจไม่เบื่อปฏิบัติไปได้เรื่อยๆเป็นเพราะอะไรคะก็เป็นความสุขแท่งของจริงของแท้ คำถามจากคุณบิวค่ะผู้ที่บำเพ็ญเพื่อพุทธภูมิพระโพธิสัตว์สามารถเข้าถึงธรรมเบื้องต้นพระโสดาบันได้ไหมครับก็ทุกคนต้องเข้าถึงโสดาบันก่อนพระพุทธเจ้าก่อนที่ก่อนที่จะตัดสั้เป็นเป็นพระหันก็ต้องผ่านขั้นโสดาบานันขั้นสกิดาคามีข้าณาคามีแต่ท่านผ่านไปรวดเดียวเลยนั่งสมาธิรวดเดียวท่านสามารถผ่านไปได้ปัญญาของท่านจะเร็วมากมันจะ มันจะไปพุบเลยยังมีภาษาโลกบางรูปนี่บรรลุสี่ขั้นด้วยการเวลาโกนหัวพอเอามีดโกน ล, ลงขั้งแรกก็เป็นโสดาบันมีดโกน ล, ลงครั้งที่สองก็เป็นสกิดาคามีขั้งที่สามก็เป็นอนาคามีขั้นที่สี่ก็เป็นอหรหันเลยบางคนปัญญามันเร็วมากมันจะไปทันทีบางคนก็ช้าหน่อยบางคนเป็นโสดาบันต้องหลายปีพระอานุนนี่เป็นโสดาบันต้องยี่สิบกว่าปีเพราะว่าไม่มีเวลาไปปฏิบัติต่อ ตอนนั้นไปรับใช้พระพุทธเจ้าไปอุปถัมากพระพุทธเจ้าเลยไม่มีเวลาไปปีกว่เวกไปเจริญปัญญาต่อก็เลยมันก็เลยติดอยู่ที่โสดาบันอยู่ต้องหลายปีแต่พอพระพุทธเจ้าตายไปไปปฏิบัติสามเดือนก็สำเร็จมันแล้วแต่แล้วแต่สิ่งแวดล้อมแล้วแต่ความปัญญาที่จะเร็วหรือช้าต่างกัน แล้วความตั้งใจความเพลินมั น, ม, นมันเป็นส่วนที่จะทำให้มันลุช้าหรือเร็วต่างกันคำถามจากคุณไอเบอร์ี่ค่ะการพิจารณาตัดอัตตาตัวตนในตัวเองควรเริ่มกระทำหลังจากที่ได้อับปนาสมาธิคล่องแล้วใช่ไหมคะ แต่ตอนนี้หนูยังไม่ได้อับปนาสมาธิค่ ะ, ะหนูควรทํายังไงเพื่อที่จะลดละการถือตัวตนได้คะใช้สติเป็นตัวตัดได้ไหมคะถึงแม้ว่าจะชั่วข้าวก็ตามได้อีกส่วนหนึ่งให้เราคิดสมมุติว่าเราเป็นดินก็นแล้วกันแล้วคิดว่าเราเป็นแฉลบหรือเป็นคนรับใช้แล้วมันก็จะลดตัวตนได้เราไปอยู่ที่ไหนกับใครก็ขอให้เราคิดว่าเราเป็นคนใช้เขาคนรับใช้เขา ไอเขาจะด่าแล้วก็ครับผมครับผมเจ้าค่าเจ้าค่าเพราะเราเป็นคนรับใช้เขาอย่างนี้มันก็จะลดอัตราตัวตนได้เราต้องสมมุติตัวเราว่าเราเป็นแจ๋วเป็นขี้ข้าแล้วเราก็จะลดอัตราตัวตนได้เวลาที่เรามีสติเวลาเราเผลอเราก็จะเืมว่าเราเป็นแจ๋วเราเป็นขี้ข้าเราก็จะคิดว่าเราเป็นพระเจ้าแผ่นดินขึ้นมาทันทีเพราะทุกคนอยากจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่งนั้นใช่ไหมอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตอย่งนั้น อยากจะด่าคนอื่นแต่ไม่อยากให้คนอื่นด่าเราใช่ไหมค่อคำถามจากคุณชนะตนค่ะฟังวันนี้เข้าใจว่าผู้ที่บรรลุอรหันต์แล้วจะมีแต่ตัวรู้ที่เหมือนกันหมดเคยได้ยินว่าพระอรหันตสาวกพระอรหันตาสาวกมีพระบริสุทธิ์ที่คุณเหมือนพระพุทธเจ้าแต่ปัญญาและการุณาที่คุณจะน้อยกว่าพระพุทธเจ้า อันนี้เป็นการยกย่องกันในฐานะของสมมุติเท่านั้นหรือเปล่าคะแต่วิมุตติแล้วแต่วิมุตติแลเสมอกันหมดวิมุตคือจิตบริสุทธิ์เหมือนกันหมดแต่ความรู้ความสามารถทางสติปัญญาทางความคิดยังไม่เหมือนกันเพราะแต่ละคนฝึกขัดพัฒนามาไม่เท่ากันคำถามจาาคุณชีวิตต้องมีวันผู้นี้เสมอคะ่ะ ไปปฏิบัติธรรมแล้วเกิดความสงสัยถามพระที่สอนท่านบอกว่าไม่ต้องสงสัยไม่ต้องถามให้นั่งดูลมหายใจไปถ้าสงสัยคือผู้ไม่รู้ในธรรมเป็นจริงหรือเปล่าคะอสงสัยก็แสดงว่าไม่รู้นไงแต่ถ้าไม่รู้แล้วไม่ถามมันก็จะไม่รู้อยู่นั่นน่ะมันก็ต้องถามถ้ามีโอกาสนี่ถ้าถามแล้วเขาไม่ตอบวัฒนาคนตอบไม่รู้เขาก็เลยไม่ตอบเขาก็เลยบอกอย่าถามแต่ถ้าเขารู้เขาก็ตอบให้เราได้ คำถามจากคุณอุบลรักษ์ค่ะเวลาตักบาตรตอนเช้าโยมกำลังอธิษฐานอุทิศบุญให้กับบิดามารดาพระเจ้าเอาว่าชอบเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังการอุทิศบุญจะเป็นผลส่งให้ถึงบิดามารดาใหม่ค่ะเพราะเวลาตักบาตรโยมต้องการสมาธิค่ะอ๋อก็เวลาทำบุญใส่บาตรเสร็จแล้วก็อุทิศได้มีสมาธิไม่มีสมาธิก็ไม่เป็นไรขอให้เราระลึลกถึง มีคนเขาสอนข่ายญาติทาว่าเวลาแต่หนูก็ไม่คยทำเพราะหนูไม่ได้ยึดติดตรงนั้นเวลาจะหย่อนอาหารเนี่ยมีคนเขาสอนมาว่าให้นึดติดตรงนั้นเลยเจ้าขะแล้วบุญ น, นั้นจะเหมือนลิน้นขึ้นไปเลยเจ้าค่ะไม่รู้ว่ากบุญมันยังเกิดหรือเปล่าล่ะขณะที่หย่อนอาหารนี่มันยังบุญมันยังไม่เกิดมันต้องหย่อนเสร็จแล้วก่อนมันถึงจะเกิดบุญขึ้นมาต้องเสียสละแล้วไปก่อนถ้าถึงจะเกิดบุญเกิดความสุขใจที่ได้จากการเสียสละ แล้วเราค่อยเอาความสุขใจนี้ส่งไปให้กับคนตายทีนะึงส่วนตัวหนูนะคะหลวงพ่อหนูก็จะทําก่อนก็จะนึกถึงว่าที่ทําไปตอนเนี้ยอะไรประมาณนี้แต่เขาบอกเอ๊ะผิดแต่หนูก็ไม่สในใจนะะ่ะเขาอยากพูดอะไรก็พูดไปเอออย่างไรก็ได้ขอให้ทําก็แล้วกันหียงพ่อนะคะถ้าหนูเห็นถ้าหนูเห็นในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ผิดด้วยแต่หนูก็วาง ไม่ไปยุ่งไม่เกี่ยวพู่บอกกับตัวเองว่าไม่ใช่เรื่องอ่าถ้าเราจะเป็นอดีตอาจจะยุ่งแต่ปัจจุบันนี้หนูอบอกว่าไม่ยุ่งโอ๊ยไปต้องพูดกันแค่ไม่ไรไม่ยุ่งไม่เกี่ยวเพราะไม่ใช่เรื่องของเราให้กรรมเวรนั้นมันเกิดขึ้นกับเขาเองอย่างนี้หนูคิดถูกหรือเปล่าเจ้ค่ะหลวงพ่ออ่อาก็ถูกก็กถ้าก็าาาต้องคิดอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเราพูดแล้วมันดีขึ้นก็พูดถ้ามันพูดแล้วไม่ดีขึ้นก็อย่าพูด ถ้าเราคิดแล้วมันทำให้เปลี่ยนแปลงเรื่องราวให้ไปนในทางที่ดีได้ก็พูดได้ถ้าพูดแล้วไม่เปลี่ยนแปลงให้เรื่องมันเป็นในทางที่ดีก็อย่าพูดคำถามจาคุณพีโกค่ะถ้าเกิดปัญญาเห็นสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงปัญญานี้มาจากตัวรู้หรือตัวคิดคิดได้บอกตัวรู้ครับตัวคิดไงเมื่อก่อนไม่รู้เพราะไม่มีใครสอนอสอนก็เป็นความคิดของคนอื่น แล้เราเอาความคิดของขอ ง, ของคนอื่นมาเป็นความคิดของเราเราก็คิดอยู่เรื่อยว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงมันไม่ใช่ของเรามันก็จะทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาเราถึงต้องฟังคนอื่นไงฟังพระพุทธเจ้าในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็เป็นความคิดของพระพุทธเจ้าพอเราความคิดของพระพุทธเจ้ามาคิดเราก็เราก็เลยกลายเป็นพระพุทธเจ้าไปด้วยเพราะเราคิดเหมือนพระพุทธเจ้าต่อไปเราก็จะคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเรา เราก็จะตัดกิเลสได้เราก็จะเป็นพระอรหันต์ได้อยู่ที่ความคิดนี้แหละโดยที่ต้องอาศัยความคิดของคนที่เขาคิดเป็นมาสอนให้เราคิดแบบเขาก็เราไปโรงเรียนแล้วก็อาศัยความคิดของครูไม่ใช่หรอครูก็สอนก็เอาความคิดครูก็ใช้ความคิดมาสอนพวกเราสอนเราอ่านกอไก่นั้นตัวนี้กไก่แลวนี้ขอไข่นะอันนี้ก็เป็นความคิดของครูแล้วเราเอาความคิดของครูมาเป็นความคิดของเราเออตัวนี้กไก่นะตัวนี้ขอไข่นะ ต่อไปเห็นกอไก่ก็จําได้เห็นขอไข่ก็จําได้เนี่ยมันก็นี่คือการเรียนรู้เป็นการถ่ายทอดความคิดจากบุคคลหนึ่งไปสู่บุคคลหนึ่งจากครูไปสู่นักนักเรียนจากพระพุทธเจ้าไปสู่ภาษาวกก็เนี่ยใช้ความคิด พ, พุทธเจ้าใช้ความคิดแสดงธรรมคิดก่อนแล้วค่อยพูดออกมาพูดแล้วมันก็เข้าไปในหูมันก็กลายมันก็ไปกระตุ้นความคิดของคนฟังให้คิดตามแล้วต่อไปก็เอาไปคิดอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็เป็นความคิดของคนนั้นไป คำถามจะคุณเด่นค่ะผมสงสัยว่าพระดูทีวีอาจจะดูแต่ข่าวสารไม่ใช่ละครจะขัดกับสิ่งใหมครับถ้าเราไม่เป็นพระเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขาแล้วกลาเป็นพระก่อนแล้วค่อยไป <c oughs> อย่าไปยุ่งกับเรื่องของชาวบ้านก็เลย <c oughs> เอาเรื่องของเราดีกว่าเอเรายัางกินเหล้าหรือเปล่าเรายัางเล่นการพนันหรือเปล่าเรายัางเที่ยวกลาคืนหรือเปล่ามาแก้ที่ตัวเราดีกว่าอย่าไปแก้ตัวที่ตัวคนอื่นเลยเสียเวลาปล่ปลา ได้ก็ไม่ได้หรอกแก้ตัวเราเองไม่ได้เราไปแก้คนอื่นได้หรือเปล่าคําถามจากคุณวอลนูตค่ะคุ ณ, ณสมบัติของโสดาบันเป็นอย่างไรคะปุถุชนคนธรรมดาเป็นได้ไหมคะอะถ้าเป็นปุถุชนก็ไม่ใช่มันก็ไม่ใช่ใชสโสดาบันเลยถ้าสโสดาบันมันก็ไม่ใช่ปุถุชนเลยแต่มันต้องเป็นมันสโสดาบันมันก็มาจากปุถุชนปุถุชนคืออะไรยังกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายอยูอ่ แต่โสดาบันนี้ไม่กลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายเพราะรู้ว่าร่างกายไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราถ้าไปยึดไปติดมันจะทุกข์เลยไม่อยากจะทุกข์ก็เลยปล่อยให้มันแก่มันเจ็บมันตายพอยอมให้มันแก่มันเจ็บมันตายก็หายกลัวโสดาบันกับปุตุชนต่างตรงเนี้ยปุตุชนยังรักตัวกลัวตายอยู่โสดาบันนี้ไม่รักตัวกลัวตายแล้วคําถามจากคุณพรวิทยาค่ะ ผู้ที่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นนั่งคุยโทรศัพท์เล่นลายไม่ตั้งใจฟังธทำจะมีผลเช่นไรคะไม่รู้เหมือนกัน ไ, ไม่ถามก็ดูดีกว่า <c oughs> ปัญหาร้อยแปดเรื่องชอบไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเหลืเกินไม่ดูตัวเองเลยเนี่ยมีโบราณเขาว่าความผิดของคนอื่นแม้เท่าผงธุลีก็เหมือนกองภูเขาแต่ความผิดของตัวเองแม้จะเป็นกองภูเขาก็เหมือนกับกองธุลีผงธุลี หันมาดูตัวเองดีกว่าเราผิดตรงไหนเรามาแก้ที่ตัวเราดีกว่าอย่าไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่นเขาเลยคำถามจากคุณบีค่ะถ้าเราซื้อของไว้ให้คนอื่นใส่บาตรตอนเช้าทุกวันเพราะเราต้องไปทำงานใส่บาตรไม่ทันเราจะได้บุญเท่ากับตอนใส่เองไหมคะได้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อีกเปอร์เซ็นต์นึงก็คือเราใส่เองแล้วก็ได้เต็มร้อยเราก็แบงให้คนที่เขาใส่ให้เราหนึ่งเปอร์เซ็นต คือก็ทำหน้าที่สายให้เราคำถามจากคุณอาทิตยาค่ะการนั่งสมาธิแล้วเดินจงกรมแล้วเบาเดินปลิวๆเกิดจากอะไรคะทําไมถึงเป็นแบบนั้นคะใจเบาไงเพราใจเบามันก็กเลยรู้สึกตัวเบาวันไหนหนัก อ, อกหนักใจนี่หนักไหมหนั่งกายถ้าจะไม่อยากเดินไปไหนเลยใช่ไหมเวลาเกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาเพราะจริงน่างกายมันเท่าเดิมอะไปช่างน้ำหนักมันก็เท่าเดิมอะมันไม่เบาขึ้นแล้วหนักขึ้นหรอ ที่มันมันหนักหรือมันเบาคือใจถ้าใจมีกิเลสมันก็จะหนักถ้าใจไม่มีกิเลสมันก็จะเบาในเวลาเราพุทโธพุทโธนี่เราเราทําให้กิเลสมันมันน้อยลงไปมันก็เลยตัวเบาขึ้นมาใจเบาขึ้นมาพอเราไปคิดเรื่องกิเลสมันก็เลยหนักอกหนักใจคิดถึงสามีคิดถึงลูกโอ้ยหนักอกหนักใจมันก็เลยรู้สึกว่าตัวหนักไปหมด หมาแล้วเหรถามจ้ะคุณธัญรัตน์ค่ะสวรรค์ชั้นพรมมาจารีอยู่เหนือฉันดาวดึงหรือเปล่าคะไอคนใน Google ดูไห o กูก็มีเยอะแยะตอบเนี่ยเราก็ไม่ใช่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเรารู้แค่ศีลสมาธิปัญญาแค่นี้ก็พอแล้วไอ้เรื่องอย่างอื่นก็เป็นความรู้ที่รู้รู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่สำคัญอะไรมากแล้วหมดแล้วคลว่ลองใส่เข้าไปสิ เกียนเข้าไปดาวดึงกับพรมนี่อันไหนสูงกว่ากันต่างกว่ากันเดี๋ยวมีมีคำตอบเยอะแยะไปหมดเพราะคำถามตอนนี้มีคนก็ชอบถามกันอยู่แล้วถามใน Google มันก็จะจำไว้พอเรให้มีคำถามซ้ำๆอย่างนี้มันก็จะโผล่ขึ้นมาให้เราเห็นย ห, หมดแล้วน ะ, ะใกล้เลยสี่นาทีอาจารย์มีอะไรตบท้ายไหมไม่มีครับไม่มีนะวันนี้ฟัเปปรือปฏิบัติบอ่า คิดว่าได้แนวทางแล้วนะได้ละเียดขึ้นเพิ่มมากขึ้นทุกครั้งที่ฟังมันก็ได้ความรู้เพิ่มเติมไปเรื่อยๆถ้าท่านบอกอา น, นิสงส์ของการฟังธรรมข้อหนึ่งก็คือทำที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเราได้ฟังอีกมันก็จะเกิดความเ ข, าเข้าใจดีขึ้นเห็นภาพชัดเจนขึ้นหรอจึงต้องฟังธรรมบ่อยๆถ้าเรายังไม่สําเร็จมันต้องฟังไปเรื่อยๆเพราะว่าบางทีมันมีบางจุดบางประเด็นที่ยังเรายัางเข้าไม่ถึงหรือยังไม่เข้าใจ เรายังปฏิบัติไปไม่ถึงจุดนั้นเราก็จะไม่เข้าใจเวลาเราฟังพอเราไปถึงจุดนั้นแล้วพอเรามาฟังอีกครั้งหนะึ่งเราก็จะเข้าใจเพราะความรู้นี้การปฏิบัตินี้มันจะพัฒนาเป็นขั้นๆนไปถ้ายังไม่ถึงขั้นของเราฟังฟังไปล่วงหน้าก่อนมันก็จะไม่มันฟังได้แต่มันยังไม่เข้าใจาแต่พอเราไปถึงขั้นนั้นเรา aust, ถึงจุดนั้นแล้วพอฟังถึงเรื่องนั้นอีกทีจะเข้าใจทันทีว่าอ๋อต้องทําอย่างนี้ต้องทําอย่างนี้ ดังก็ต้องพระเจ้าสอนให้ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆฟังฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะมีประโยชน์หประการจะได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ฟังมาก่อนสองธรรม ท, ที่เราเคยได้ฟังแล้วก็จะทําให้เราฟังซ้ําอีกแล้วก็จะได้เกิดความเข้าใจดีขึ้นไป <c oughs> จะทําให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสี่จะกําจัดความสงสัยต่างๆไปได้ จะทำให้จิตใจผ่องใสมีความสุขเลยมีใช่ไหมค่ ะ, ะ, ะคำถามจากคุณทันวลินค่ะความคิดกับกิเลสใช่เรื่องเดียวกันไหมคะความคิดนี้คิดได้สองทางคิดเป็นคิดไปทางกิเลสก็ได้คิดไปในทางธรรมก็ได้แช่วันนี้คิดมาทำบุญก็เรียกไม่เป็นกิเลสเป็นธรรมแต่จะคิดไปยิงนกตกปลานี่ก็เป็นกิเลส แล้วแต่ความความคิดนี้ไปได้สองทางหรือริงสามทางคิดกลางๆก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปทำบุญหรือทำบาปก็ไม่เป็นกิเลสแต่คิดคิดไปในทางทางธรรมก็ไม่เป็นกิเลสคิดไปในทางกิเลสก็เป็นกิเลสแล้วแต่เราจะคิดส่วนใหญ่เราจะคิดไปในทางกิเลสกันเราเลยต้องมาคิดมาเรียนรู้วิธีคิดไปในทางทำให้คิดอย่างไรเช่นคิดไปนั่งทาบุญไปนั่งสมาธิ คิดไปฟังเทศฟังธรรมอย่างเงี้ยเรียกว่าเป็นความคิดที่ไม่ใช่เป็นกิเลสแต่จะคิดไปเที่ยวเนี่ยหยุดทวันนี้จะไปเที่ยวฮ่องกองไต้หวันญี่ปุ่นเนี่ยเป็นกิเลสลวนล้วนวนะ่ใ่ไหมคถามสุดท้ายคำถามผมมีความกลัวตายเพราะคิด เราะคิดว่าเรายังไม่รู้ทำกลัวจะต้องไปเกิดในที่ต่ำกว่ามนุษย์เลยเกิดกลัวความตายควรทําเช่นไรครับไม่ใช่หรอความกลัวตายไม่ได้เกิดจากไอ้ไอนี้หรอ <c oughs> ความกลัวตายเกิดจากที่เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายเราก็เลยไม่อยากตายเพราะเรารู้ว่าร่างกายต้องตายแล้วเราก็คิดว่าเวลาร่างกายตายเราจะต้องตายไปกับร่างกายนี่เป็นความเป็นเหตุที่ทําให้เรากลัวตายกันไม่ใช่เพราะว่าเรากลัวไม่มีเวลาปฏิบัติถ้าให้อยู่ไปตลอดมันก็ไม่ปฏิบัติอยู่ดีใช่ไหม มันไมักจะมาอ้างตอนที่จะตายบอกว่าเสียดายเดี๋ยวจะไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ทําความดีก็ตอนนี้มีเวลายังไม่ตายยังไม่ไปทําความดีนะมันนั่งกลัว ท, ทําไมกิเลสมันชอบหลอกเราเพราะฉะนั้นความกลัวตายนี่มันเกิดจากความหลงที่ไปคิดว่าร่างกายเป็นตัวเราของเราก็เลยไม่อยากให้มันตายเท่านั้นเองมันก็เลยกลัวตายแต่ถ้าเรารู้ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเราของเราเราก็จะไม่กลัวตายส่วนเราจะไปไหนไม่ไปไหนนี่นไม่สําคัญ